ขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมกราบหลวงพ่อปราโมทโดยพร้อมเพียงกัน3ามครั้งนะคะกราบกราบกราบค่ะ ขอกราบอาราธนาหลวงพ่อป h โปม m a ประโม a โชว์ได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อรู้ทันกันหลงให้กับพวกเราและญาติโยมที่รับฟังทางวิทยุและอินเทอร์เนต็ตอีกมากมายเจ้าค่ะขอกราบนิมนต์เจ้าค่าะเจริญพรพวกเราช่วงหลังๆหลว ง, งพ่อมาเทศเชียงใหม่บ่อยขึ้นนะพวกเราคนไหนไม่เคยฟัง ไม่เคยฟังโลวงพ่เทศไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยฟังซีดีมีไหมช่วยยกมือ น, นิดหนึ่งหลวงพ่อจะได้ประเมินถูกว่าควรจะเทศสักแค่ไหนส่วนใหญ่เคยฟังนะงั้วต้องเทศยากหน่อยเรามาฟังธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะเ ป, รระเปลี่ยนใจของคนได้เป็นธรรมะที่ กลับใจคนได้เป็นธรรมะที่เมื่อใจมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะฉั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นมาศึกษาธรรมะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพรฉะนโครงการจัดเนีธรรมะเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนชีวิตเราได้เท่าธรรมะนะเปลี่ยนในทางดีขึ้นนะถ้าเปลี่ยนในทางเลวลงเนี่ยมีเยอะแยะเลยหัวข้อ ที่หลวงพ่อได้รับนิมนต์เทศนะเรื่องรู้ทันกันหลงเรื่องนี้ดีโดยเวลาเทศที่ไหรหนะลวงพ่อเจอพูดเรื่องความหลงเนี่ยเยอะชาวพุทธเราไม่ได้สู้กับอะไรเร า, เราสู้กับความหลงนี่แหละตัวฉกาจที่สุดเลยความโลบความโกรธนี่ยังเป็นตัวรองคู่ชกสําคัญที่สุดเลยก็คือความหลงตราบใดที่เรายังมีความหลงอยู่เรายังเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้น หัวหน้าความหลงชื่อว่าอวิชชาถ้ารู้ทันเนี่ยมันไม่ใช่แค่กันหลงนะมันทำลายรากเง่าทํำลายอวิชชาได้ด้วยหัวหน้าหัวโจกเลยของความหลงก็คืออวิชชารองลงมาก็พวกโมหะความหลงทั้งหลายหลงมันก็มีหลายแบบหลงอย่างโลกโลกพวกหลงโลกความจริงพวกนี้หลงในกามพวกหลงโลกก็พวกหลงในกามหาความสุข ความเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยชีวิตไม่ค่อยมีสาระแก่นสารอะไรคิดว่าเพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหนะลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วจะมีความสุขหาความสุขแบบหลงหลงแบบหลงโลกนะมันหาไม่ได้จริงหรอกเพราะในโลกมันไม่มีความสุขจริงๆมันมีแต่ความสุขหลอกๆ มันเหมือนเหมือนจะมีความสุขแต่ว่ามันจับเอาไม่ได้ความสุขในโลกมันเหมือนเงาวิ่งจับมันถ้าเป็นแทบตายนะมันก็หายไปเหมือนเหมือนจะจับได้แล้วก็ไม่ได้แต่คนก็ยังหลงโลกอยู่เที่ยวแสวงหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ารูปกรรมโลกกรรมโลกกรรมภูมิการมวจระจิตมันเที่ยวไปในโลกก็เที่ยวเที่ยวไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย คนส่วนใหญ่ไปได้แค่นี้คิดว่าถ้าสนองกิเลสได้นะอยากดูได้ดูอยากฟังได้ฟังอยากกินได้กินอยากได้อะไรก็อยากได้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่ามีความสุขแต่หารู้ไม่ว่าความสุขแบบนี้มันอยู่แวบเดียวนะเช่นอยากดูหนังนะไปดูหนังพอดูหนังจบนะมันก็อยากอย่างอื่นต่ออีกแล้ว ชีวิตมันเต็มไปด้วยความอยากนะคิดว่าจะสนองความอยากแล้วก็จะหาความสุขมาให้ตัวเองได้มันหาไม่ได้จริงหรอกเนี่ยพวกหลงโลกเนะนี่ยพวกนี้ก็ปล่อยเขาไปนะอย่างพวกเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเราสนใจธรรมะเรารู้ว่าสิ่งที่มีสาระแก่นสารกับชีวิตเนะี่ยไม่ใช่มีแค่รูปแค่เสียงแค่กลิ่นแค่รสแค่สัมผัสสิ่งที่มีสาระแก่นสารในชีวิตจะมีมากกว่านั้นอีกคือธรรมะ นี่ถ้าเราสนใจธรรมะนะเราจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมนะเครื่องมือในการต่อสู้กิเลสนะผู้ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติอะไรนะปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาต้องมีให้ครบถ้ามีไม่ครบนะเอาชนะความหลงไม่ได้เอาชนะหัวจกคือเอาวิชาไม่ได้ต้องมีให้ครบความหลงนั้นเป็นกิเลสชั้นละเอียดที่สุดนะ ก่อนที่จะสู้กับความหลงได้ต้องชกกับกิเลสตัวหยาบหยาบให้ได้ซะ ก, ก่อนอยู่ๆจะไปชกมวยข้ามรุ่นมันชกไม่ได้จริงหรอกต้อถูกกิเลสน็อกเอาเนะบื้องต้นเลยกิเลสหยาบหยาบที่มันเกิดขึ้นมามันครอบงําใจของเรานะี่ยราคะโทสะโมหะหยาบหยาบนะโมหะหยาบหยาบเช่นความฟุง้งนซะ่านความความมุ่นวายความฟุง้งซ่านความลังเลสงสยัยอะไรพวกนี้นะ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์ความโลภความโกรธพวกเราเรารู้จักนะความหลงฟุ้งซ่านไปนะแล้วก็หลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะความโลภความโกรธนะเป็นกิเลสที่หยาบที่สุดเลยเราจะต้องสู้กับกิเลส ช, ชนิดนี้ด้วยศีลซะก่อนนะต้องมีศีลก่อนนะละเลยศีลไม่ได้หลวงพ่อเคยรู้จักคนเยอะนะ เห็นคนปฏิบัติมากมายกายกองนะบางคนภาวนานะทำสมาธิดีแต่ไม่มีศีลบางคนขยันเจริญปัญญาแต่ไม่รักษาศีลสมาธิก็เป็นสมาธิสนองกิเลสปัญญาก็ปัญญาสนองกิเลสใช้ไม่ได้จริงหนอกนะงั้นพวกเราต้องตั้งใจไว้ก่อนนะอย่างน้อยต้องรักษาศีลห้าให้ได้ถ้าอยากจะชนะความโง่ความหลงให้ได้เด็ดขาดเนะี่ยต้องรักษาศีลห้าไว้ก่อน ถ้าเราไม่มีศีลห้าในะใจเราจะฟุ้งซ่านนะกิเลสหยาบหยาบนะั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เราทำผิดศีลนะอย่างราคะความโลภแรงๆเกิดขึ้นนะก็ไปขโมยเขานะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาไปประพฤติผิดในกรรมนะโทสะเกิดขึ้นนะไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขานะไปทำลายทรัพย์สินเขานะนะกิเลสหยาบๆยาบพวกนี้นะ เอาปัญญาไปสู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องตั้งใจรักษาศีล้วยก่อนพัญญามทํางานไม่ทันผมสู้กิเลสชั้นหยาบหยาไม่ได้งั้นเบื้องต้นนะต้องรักษาศีลไว้ก่อนแต่วิธีรักษาศีลี่รักษาให้ดีเนะีต้องรักษาที่ใจรักษาศีลที่ปากรักษาศีลที่มือที่เท้ารักษายากเลยเฉพาะรักษาที่ปากเนะ่ายากมากเลยขอศีลเสร็จนะก็คุยจอกแ๊จกจกแยกนะเยอะแยะเลยหิรฟุ้งซ่านนะ พูดเพ้อเจ้อสินดังรลอยไปแล้วงั้นถ้าเรารักษาสีลให้ดีต้องรักษาที่ใจนะถ้าใจเราไม่ถูกกิเลสครอบงำเนี่ยมันจะมีสีลอัตโนมัติเกิดขึ้นให้เราคอยมีสติไว้นะคอยรู้ทันใจตัวเองนะรู้ทันการหลงนะหลงอะไรหลงตามกิเลสนี่ขั้นหยาบที่สุดเลยนะคอยรู้ทันไว้ราคาเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันนะถ้าราคาเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันนะจิตจะไม่หลงตามราคา ถ้าจิตไม่หลงตามราคาเนี่ยเราจะไม่คิดเลยที่จะไปขโมยใครไปเป็นชู้กับใครจะไปปลิ้นปล้อนตลบตะแหลงหลอกลวงใครมันไม่มีไม่มีโดยอัตโนมัตินะศีลจะเป็นเรื่องรักษาง่ายถ้าโทสะเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเรามีสติรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นที่จิตโทสะจะครอบงำจิตไม่ได้นะกิเลสเนี่ยมันจะครอบงำจิตได้ตอนเราหลงเท่านั้นนะถ้าเรารู้ทันนะ เราไม่หลงเนี่ยรู้ทันล้วมันกันหลงได้นะตั้งแต่หลงไปทำผิดศีล น, นี่นเราคอยรู้ทันจิตของตัวเองความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันก็ไม่ไปฆ่าใครไม่ไปตีใครไม่ไปทำลายทรัพย์สินเขาด้วยความแข็งไม่ไปด่าเขาศีลมันเกิดขึ้นรรักษาศีลให้รักษาที่ใจแล้วจะรักษาง่าย รักษาที่ปากรักษาที่มือรักษาที่เท้ารักษายากเพรเผลอเมื่อไหร่นะรู้ไม่ทันเมื่อไหร่หลงเมื่อไหร่นะกิเลสเอาไปกินทุกทีเลยงั้นเบื้องต้นพวกเราหัดภาวนาตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนนะดีแล้วแต่ว่าจะรักษาศีลได้ดีต้องรู้ทันใจตัวเองกิเลสเกิดแล้วรู้ทันกิเลสเกิดแล้วรู้ทันฝึกอย่างนี้นะถ้ากิเลสเกิดแล้วรู้ไม่ทันก็เรียกว่าหลงนั่นแหละ ถ้ารู้ทันไม่หลงกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลมันก็มีขึ้นมาศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นมาต่อมาเราก็มาพัฒนาอีกกิเลสอย่างกลางเรียกว่านิวรณกรามฉันทะนิวรณ์ยาปาทะนิวรณอุทัจจะกุกุจจะไปหาอานเอาเองนะอยงนี้มีเยอะแยะหนังสือธรรมะทุกวันนี้หนังสือธรรมะจท่วมประเทศไทยแล้ว คนไม่ค่อยมีธรรมะหรอกเพ ร, รมมาะธมไปอยู่ในหนังสือสมดเลยมันไม่มาอยู่ในใจเราสักทีวันนี้เรามาเปิดใจตัวเองนะเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราให้ได้ค่อยรู้ทันใจของเรากิเลสมาเรารู้ทันกิเลสมาเรารู้ทันนะเราจะมีศีลต่อมาเรามารู้ทันใจอีกบรรดากรรมฉันทะความเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ดี พยาปาทะความไม่ชอบ อ, อกชอบใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสก็ดีความฟุ้งซ่านของจิตนะจับอารมณ์ไม่ได้จับอารมณ์ไ ม, ไม่มั่นเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยววิ่งไปคิดวิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเนี่ยมันหลงทางใจเรื่องฟุ้งซ่านเหมือนกันคิดไปคิดมาก็สงสัยสงสัยในพระรัตนตรัยึ้นมาก็เป็นนิวรณ์ถ้าสงสัยว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลอะไร อันนี้ไม่เรียกว่าโมหะเป็นความไม่รู้แบบโลกโลกแล้วโมหะเนี่ยความลังเลสงสัยต้องสงสัยในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้ า, ามีจริงหรือพระธรรมนี้มีจริงหรือพระสงฆ์มีจริงหรือพระพุทธเจ้ า, าสอนธรรมะที่พ้นทุกข์ได้จริงหรือธรรมระเมื่อปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงหรือปฏิบัติแล้วมีผู้พ้นทุกข์ตามพระพุทธเจ้ า, าไปได้จริงหรือถ้าสงสัยอย่างนี้นะก็ถึงจะเรียกว่า เป็นวิจิกิจฉากำลังเลยสงสัยล้วสงสัยเรื่องโลกโไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาใครๆก็สงสัยได้พร้ลรหันยังสงสัยได้เลยสงสัยว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรอันนี้ไม่ใช่กิเลสนะ<ม>หรือจิตใจหดหู่ <นะ S 2> ฟุง้งซ่านมากพอจิตมันหมดแรงแล้วมันก็หดหูล<ม>ห่ลงไปนะหล่นแป๊กลงไปไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะรู้ทัน น, น, <ะ S 2> นี่บรรดานิวรณทั้งหลายเนี่ยเราสู้ด้วยสมาธินะ สมาธิก็คือจิตมันตั้งมั่นจิตไม่ฟุ้งซ่านไปถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ฟุ้งซ่านไปทางใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรื่อยจิตก็จะไม่ไปหลงยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเห็นไหมกามฉันทะมันก็ทํางานขึ้นมาไม่ได้เรารู้ทันจิตใจของตัวเองอยู่นะมีจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนะี่ยจิตไม่ฟุ้งไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพที่มันไม่ดี ที่มันไม่ชอบใจพยาบาทมันก็ไม่เกิดขึ้นมีสติรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่จิตไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิ่งร่อนเร่อุตลุดทั้งวันทั้งคืนจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่นี่ก็ไม่หลงไปมีสมาธิขึ้นมาก่มกิเลสอย่างกลางได้รวมความแล้วถึงนิวรจะมี5ตัวนะแต่ถ้าจิตของเราไม่ไหลออกไปนะจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่นะ นิวรณ์ถึงจะมี5้าตัวก็ทำอะไรเราไม่ได้ครอบงําจิตไม่ได้หรอกหลวงปู่ ด, ดูลนท่านใช้คําว่าจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกจิตมันไหลไปจิตมันมันไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้อย่างเวลาเราจะดูรูปเวลาเราดูโทรทัศน์บางทีจิตเราเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์ใครเคยเห็นไหมจิตเราไปดูโทรทัศนะ์นะเราสนใจมากเลยใจเราก็จะไหลเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์ S 1> <S 1> <S <an> <S เวลาเราตั้งใจฟังใจเราไหลไปฟังเราลืมตัวเราเองเวลาดูเราก็ลืมตัวเราเองเวลาฟังเราก็ลืมตัวเราเองเวลาไปคิดจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็ลืมตัวเราเองคนในโลกมันลืมตัวเองตลอดเวลามันหลงตลอดเวลานั่นแหละถ้าเมื่อไหรเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงไปจิตหลงไปทางตารู้ทันจิตหลงไปทางหูรู้ทันจิตหลงไปดมกลิ่นไปริมรสนะไปรู้สัมผัสทางกาย ไเพลิดเพลิคิดนึกปรุงแต่งทางใจแล้วมีสติรู้ทันจิตไม่หลงนะจิตไม่หลงเนี่ยจิตจะไม่ฟุ้งไปนะนิวรจะมาหลอกจิตไม่ได้จิตจะตั้งมั่นสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงอย่างที่พวกเราหัดทําสมาธินะหลวงพ่อตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบเรียนทําสมาธิฝึกอานาปนานสติพ่อภาโยมพ่อนะตอนนั้นไม่ได้บวชหรอกก็ต้องเรียกว่าพ่อเฉย พ่อพาไปวัดโสการามไปเรียนจากทางท่านพ่อรนะีท่านสอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับไปเรื่อยนะท่านให้นับถึงสิบแล้วก็วกกลับมาเก้าแปดเจ็ดหกห้าแบบปล่อยจรวดเราเด็กๆ เ, เรานับเลขย้อนไปย้อนมาไ ม, ไม่ถนัดหลวงพ่อก็หายใจเข้าพุทออกโทนับหนึ่งไปถึงร้อยเลยนะแล้วค่อยเริ่มหนึ่งใหม่อย่างนี้ก็ได้นะ มหัตฝึกอนาปัญสติจริงฝึกสมาธินั่นแหละแต่ตอนแรกๆจับหลักไม่ได้จับหลักไม่ได้จริงๆการฝึกสมาธิจะฝึกได้ดีนะถ้าเรารู้ทันจิตจิตนั่นแหละมันเป็นตัวฟุ้งซ่านไปมันทำให้ไม่มีสมาธิงั้นเวลาเราหายใจนะหายใจแล้วจิตหนีไปคิดนะรู้ทันหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันนะภาวนาหารมกรรมาฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อน แล้วรู้ทันจิตไปนี่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้นะไม่ใช่พุทโธพุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างเดียวพุทโธบังคับจิตไม่ใช่แต่ท่านให้รู้ทันจิตพุทโธพุทโธไปจิตนีไปคิดรู้ทันพอเรารู้ทันนะความคิดดับไปนะจิตจะค่อยๆรวมเข้ามาตั้งมั่นขึ้นมาหายใจไปจิตนีไปคิดรู้ทันใครชอบดูท้องผ่องยุบก็ดูท้องของยุบก็ได้ไม่เห็นเป็นไรดูท้องผ่องยุบไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทัน คอยรู้ทันจิตไว้ถ้าเรารู้ทันจิตเนืองๆ น, นะจิตจะค่อยๆเชื่องนะเราไม่ต้องไปบังคับจิตให้สงบจิตจะสงบของเขาเองนะเนี่ยเคล็ดลับมันมีในการทําสมถะกรรม ฐ, ฐานนะไม่ใช่เราพุดโธแล้วก็จิตหนีไปคิดล้โมโหมันบังคับมันอย่าอย่าไหลไปนะอย่าหลงไปนะยิ่งโมโหนะ จ, จิตไม่มีความสุขจิตไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดออกต้องฝึกให้สบายนะรู้ไปอย่างสบายสบาย พุโทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปแล้วแต่เราถนัด ก, กรรมฐานอะไรก็ได้นะเหมือนกันแล้วแต่จริญนิสัยของแต่ละคนคนเรามีเยอะแยะมีจริตนิสัยแตกต่างกันเยอะแยะกรรมฐานก็เลยมีมากแต่หลักของการทํากรรมฐานแล้วอันเดียวกันทั้งหมดเลยถ้าหาดทากรรมฐานอะไรนะแล้ว ร, รู้ทันจิตอยู่เนี่ยสมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้นจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตของคนในโลกไม่อยู่กับเนื้อกับตัว คนในโลกเนี่ยหลงตลอดเวลาใจจะหลงหลงหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับนะตั้งแต่เกิดจนตายหาคนรู้สึกตัวเนี่ยนับตัวได้เลยไม่เฉพาะรุ่นพวกเราซึ่งค่อนข้างล้าหลังละรุ่นก่อนๆพวกเราซึ่งสมัยก่อน 20- ่สปีก่อนครูบาอาจารย์ยังมีมากนะคนที่จะภาวนาแล้วรู้สึกตัวได้ยังมีน้อยเลยตั้งแต่หลายสิปีก่อนส่วนใหญ่ไปทําสมาธิก็ทําสมาธิแล้วเคลิ้มเคลิมไปนะ เ ค, คลิมคลิมลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วก็นิมิตเห็นโน้นเห็นนี่ไปถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์บางทีถูกท่านดูเลยว่าไปเอาของไม่มีสาระมาเป็นสาระเพราะเราต้องฝึกให้ได้จิตขึ้นมานะให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถึงจะได้สมาธิขึ้นมาถ้าจิตเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหร่นะโมหะเอาไปกินจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะลืมกายเราจะลืมใจมีร่างกายเราก็ลืมมันมีจิตใจเราก็ลืมมัน งั้นเราจะต้องมาแก้หลงแก้หลงฟุ้งซ่านออกไปตามอารมณ์ออกไปเนี่ยตามกิเลสตามนิวรณนะ์วิธีที่จะแก้หลงก็คือคอยรู้ทันจิตไว้นี่รู้ทันการหลงรู้ทันอะไรรู้ทันจิตไว้พุโทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตนะดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตเดินจงกรมแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิจะเกิดขึ้น งั้นถ้าเราจับหลักตัวนี้ได้การสร้างสมาธิจะไม่ใช่ของยากเกินไปนะจิตจะค่อยๆสงบเข้ามานะตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เป็นคนหลงโลกนะคนทั่วไปนะเขาไม่เคยฟังธรรมเขาไม่เคยปฏิบัติธรรมจิตเขาหนีตลอดเวลาเดี๋ยวก็หนีไปดูเดี๋ยวก็หนีไปฟังเดี๋ยวก็หนีไปคิดพวกเราดูออกไหมหนีทางไหนมีมากที่สุดดูออกไหมใครว่าหนีไปดูมีไหมใครว่าหนีไปฟัง ใครว่าหนีไปคิดมีไหมโอ้มีเสียงข้างมากว่าหนีไปคิดตอบถูกตอบถูกดูจากของจริงเลยใจเราหนีไปคิดตลอดเวลานะงั้นแทนที่จะให้มันคิดสเปสสปาให้มันไปคิดพุทโธซะยังดีกว่าพุทโธก็เป็นความคิดพุทโธพุทโธไปนะมันหนีไปคิดเรื่องอื่นนะเราก็จะได้รู้ได้ ไ, ว ไ, วไหวๆไปลืมพุทโธไปแล้วนะงั้นเรามาหาอารมณ์กรรมฐานสักอันหนึ่งนะใครถนัดพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปเรื่อย มีครูบาจารย์องค์หนึ่งอท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังจันมหาบัวรู้จักไหมรุ่นนี้จะเรียกหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวท่านเล่าว่าท่านพุทธโธตั้งแต่ต้นจนจบเลยท่านว่าอย่างนี้นะท่านไม่เคยจริงพุทโธเลยแต่ว่าพุทโธของท่านไม่ใช่พุทโธนกแก้วนกขุนทองหรอกท่านพุทโธแล้วท่านรู้ท่านจิตของท่านจริงๆมีคราวหนึ่งหลวงพ่อภาวนาประมาทไปเป็นโยมนี่แหละภาวนาแล้วเจริญสติในชีวิตประจําวันนะทำรวดไปเลย เหมือนกับเราดูจิตดูใจของเราได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะนอนอยู่เนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้หมดเลยจิตจะดีจิตจะร้ายนะเห็นทั้งวันทั้งคืนเลยแล้ววันหนึ่งผมไปเจอท่านอาจารย์มหาบัวไปถามท่านนะว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนให้ผมดูจิตดูใจตัวเองผมก็ดูจิตมาตลอดนะทําไมมันไม่ก้าวหน้ามันติดอยู่ตรงนี้มันหมา น, านนะท่านบอกต้องเชื่อเรานะ ตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆก็สู้พุทโธไม่ได้เพราะที่ว่าดูถึงจิตถึงใจนั้นไม่ถึงจริงหรอกเพราะสมาธิเราไม่พอถ้าสมาธิไม่พอนะจิตมันจะออกข้างนอกไปมันจะไปโล่งๆว่างๆเพลินๆสบายอยู่ข้างนอกนะจิตไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นพอเนี่ยเจริญสติเจริญปัญญาไม่ได้จริงอ่ะนะเพราะงั้นเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้จริงๆจิตที่เป็นผู้รู้ให้ได้ไม่ใช่จิตที่เป็นผู้คิดอย่างเดียวในโลกไม่มีคนที่มีจิตผู้รู้หรอก นับตัวได้เลยนะแต่วันหลังๆเนี่ยชว่วงหลังๆมาเนียเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้ น, นฟังซีดีอ่านหนังสือแล้วก็ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเ น, นี่ยมีเยอะแต่ก่อนน่ะหายากมากเลยหลวงพ่อเคยสอนเพื่อนไว้กลุ่มหนึ่งสิบกว่าคนไปไหนนั่งรถตู้ไปด้วยกันไปหาครูบาอาจารย์นะเข้าวัดบางองค์จิตท่านไหวเข้าไปกราบแล้วท่านหันกลับเลยท่านอุทาน ว่ามันไปรวมกันมาได้ยังไงเยอะขนาดนี้นั่นแค่รู้สึกตัวนะแค่ว่ามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเท่านะั้นยังไม่ได้เจริญปัญญาเลยนะเวลาที่เรามีความรู้สึกตัวขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราจะไม่ลืมตัวเองคนทั่วไปมันจะลืมตัวเองมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจของตัวเองเนะนี่ยมันหลง่หละนะมีกายก็ไม่รู้มีใจก็ไม่รู้มันหลงไปอยู่แต่ในโลกของความคิดนี่ใช้ไม่ได้เลยนะ ถ้าเราอยากได้มากผลนิพพานในชีวิตนี้นะต้องรู้สึกตัวให้มากๆจิตไหลไปต้องรู้สึกจิตไหลไปต้องรู้สึกนะพุโทโธไปหายใจไปจิตไหลไปแล้วรู้สึกอะไรเนี้ยฝึกให้มากเลยนะต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพราะจิตใจอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวแล้วข่าวเนี้ยจะกระดุกกระดิกนะมันจะมีจิตเป็นคนดูตลอดนะความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็มีจิตเป็นคนรู้คนดูนะ ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ต้องฝึกให้ได้นะตัวเนี้ยถ้าจิตเราไม่มีสมาธิถึงขนาดที่จิตถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูนะยังอวดไม่ได้เรื่องนั่งสมาธิเก่งนะอย่างคนไหนนะถ้าไม่มีสตินะยังมาอวดว่ารักษาศีลเก่งเลยขาดสตินะกิเลสเราไปกินหมดเลยนะคนไหนยังไม่ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาไม่มีตัวผู้รู้ขึ้นมายมาอวดว่านั่งสมาธิเก่งเลยไม่เก่งจริงหรอก นะจิตยังหลงไปอยู่ในโลกของความคิดอยู่ไปหลงนิมม่งนิมิตอะไรออกไปข้างนอกนะจิตต้องตั้งมั่นให้ได้ต้องรู้เนือ้อรู้ตัวให้ได้ต้องหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้ได้นะนี่ทํำยังไงบอกแล้วนะวิธีการสรุปง่ายๆก็คือหาอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้พุโทโธไปหายใจไปก็ยังได้นะดูท้องพองยุกก็ได้นะเดินโจงกลมยกเท้าย่างเท้าก็ได้ ขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้อะไรก็ได้นะกรรมฐานเนี่ยไม่เลือกมากหรอกนะอะไรก็ได้สมถะเนี่ยหาอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงเนี่ยถ้ารู้ทันว่าจิตมันหลงไปไหลไปจิตมันหนีไปคิดนะเนี่ยเรียกว่ารู้ทันนะรู้ทันจิตตัวเองนะสมาธิจะเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นนะเวลาเราต้องการทําสมาธินะง่ายนิดเดียวเลยเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนออกไปนะจิตก็ตั้งขึ้นมา มีสมาธิขึ้นมานี่ต้องฝึกนะถ้ารู้ทันก็ไม่หลงถ้าหลงก็ลืมกายถ้าหลงก็ลืมใจพวกเราลืมกายลืมใจวันละกี่ชั่วโมงเนื้อออกไหมย3าชั่วโมงครึ่งได้ไหมอีกครึ่งชั่วโมงหลับลึกไปลืมทุกอยาก่างหายากนะคนรู้สึกตัวหายากมากๆเลยพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ขันแรกเลยก่อนที่เราจะตรัสรู้ทำตามพระพุทธเจ้านะต้องปลูกจิตของตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนถ้าจิตเราไปหลงหลงลงนะลืมเนื้อลืมตัวเจริญปัญญาไม่ได้ไม่สามารถมาแยกธาตุแยกขันธ์ได้ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้ไาาแยกธาตุแยกขันธ์ไ ด, ญญไไ ด, ตได้ต้องมีจิตที่ตั้งมัน่นสมาธิต้องพอถ้าสมาธิไม่พอจิตเหลวเหลวไหลๆลงไปคิดโน้นคิดนี่ไป อย่ามารู้เลยเรื่องท่านเรื่องขันไม่มีทางพะมัวแต่รู้เรื่องที่คิดวันวันหนึ่งเรารู้เรื่องที่คิดเยอะแยะเลยรู้สึกไหมเราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะเรารู้เรื่องที่คิดแต่เราไม่รู้เลยว่าจิตกําลังหลงอยู่มันหลงไปคิดงั้นถ้าเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นนะพุทโธพุทโธจิตหลงไปคิดเรารู้ทันหายใจไปจิตหลงไปคิดเรารู้ทันไปฝึกเอานะขั้นต้นขอเวลาวันหนึ่งสิบนาทีสิบห้นาทีก็ได้ หลวงพ่อไม่ขอทีเดียวสามชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวเราไม่ทําขอมากไปไม่ให้ห่วงเวลาที่จะต้องเอาไปตามใจกิเลสมันเหลือน้อยนะงั้นเราต้องขอสิบนาทีสิบห้านาทีนะทุกวันไหว้พระสวดมนต์ไปหายพุทโธหายหายใจนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเนี่ยหลวงพ่อสอนแบบนี้มานะลูกศิษย์ลูกหาเป็นฆราวาสเยอะนะอสอนแบบนี้ถ้าสอนพระต้องสอนอีกแบบหนึง่งสอนพระต้องเอาเอาเป็นเอาตายนะนะ สู้ตายภาวนาทั้งวันภาวนาทั้งคืนต้องสู้อย่างนั้นแล้วสอนโยมไปบอกให้ภาวนาทั้งวันทั้งคืนโยมไม่เอาหรอกโยมจะต้องทํามาหากินบอกไม่มีเรี่ยวมีแรงพอนะเพราะฉะนั้นขอวันหนึ่งสินาที15นาทีนะั่งไหว้พระสวดมนต์ไปแล้วก็นั่งพุทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยรู้ทันใจของตัวเองไปใจจะค่อยมีสมาธิขึ้นมาใจจะได้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมานะจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วนะต่อไปเรามาเจริญปัญญา การเจริญปัญญานี่แหละเป็นการทำลายความหลงทำลายความหลงที่ฉกาจชากันที่สุดเลยนะมันเริ่มแต่ความหลงผิดเบื้องต้นก่อนเราหลงว่าเรามีตัวตนอยู่จริงๆรนะิหรือบางคนก็คิดว่าตอนนี้มีแต่ว่าพอต่อไปตายแล้วก็หายสูญไปเลยเนี่เป็นความหลงหนะลงชนิดพวกเรียกพวกนี้เรียกว่ามิจฉาทิจจิหนะลงว่าเราจะต้องเป็นอมะตะถาวรหลงว่าเราจะต้องสูญไปเลยนะพวกนี้เป็นมิจฉาทิจจิ เราจะต้องมาภาวนามาเจริญปัญญาถึงจะสู้กับโมหะความหลงตัวฉกาจฉกันได้แล้วความหลงตัวสุดยอดเลยคือตัวอวิชชาถ้าเราทำลายอวิชชาได้นะเราจะไม่ต้องเวียนว่ายไตเกิดให้ต้องทุกข์ยากอีกต่อไปแล้วยังทำลายอวิชชาไม่ได้ทำลายความหลงตื้นๆได้ความหลงลึกซึ้งถึงขั้นอวิชชายัางทำลายไม่ได้ยังต้องเวียนว่ายไตเกิด อ, อีกนี่วิธีจเจริญปัญญานะปัญญากับความหลง เป็นสิ่งตรงข้ามกันถ้ามีปัญญาจะไม่หลงนะตัวหลงคือตัวโมหะปัญญานี่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะโมหะนะปัญญาคือตัวอะโมหะนะเป็นตัวอะโมหะไม่หลงเราหลงผิดนะเราหลงผิดนะหลงผิดว่าเรามีตัวมีตนที่แท้จริงแล้วก็หลงลึกซึ้งลงไปอีกเราหลงเห็นว่าตัวตนที่เราว่าเรามีเนี่ย เป็นของดีของวิเศษมื่อเราปล่อยวางธาตุปล่อยวางขันไม่ได้หรอกจะทำลายอาวิชชาได้ต้องเห็นถึงขนาดว่าธาตุขันที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราตัวเราเนี่ยนะทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ของดีของวิเศษมันเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์นะจิตทำลายอาวิชชาไม่ลงทาลายไม่ได้จริงต้องค่อยๆเรียนไป วิธีที่จะเจริญปัญญาพวกเราเคยได้ยินคําว่าสติปัฏฐานไหมมหสติปัฏฐานนะมหาสติปัฏ ฐ, นะฐานสูตรเคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินบ้างยกมือหน่อยสิเออเยอะๆ อ, อ, อย่างนี้ค่อยชื่นใจน่อนะถ้าสูตรนี้ก็ไม่รู้จักนะอ้ออีกหาสูตรก๋วยเตี๋ยว น, นะสติปัฏฐานนะถ้าเราดูให้ดีนะมันจะเป็นเรื่องกายกับใจ กายานุปัสสนาใช่ไหมในเรื่องของกายใช่ไหมเวทนานุปัสสนาเนี่ยเป็นนามนธรรมจิตานุปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องความปรุงดีปลุงชั่วของจิตก็เป็นนามนธรรมตัวธรรมานุปัสสนานะีมีทั้งรูปธรรมและนามนธรมรมเคล้ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจริญสติปัฏฐานเราก็ต้องมาหารู้จักรูปธรรมนามนธรรมก็กายกับใจของเรานี่แหละถ้าลืมกายลืมใจนะ เดินปัญญาไม่ได้จริงก็กันหลงได้ด้วยสติเช่นจิตหลงไปพูดโทรอยู่จิตหลงไปแล้วรู้ทันเนยกันหลงอย่างนี้แค่ไม่หลงลืมกายลืมใจเท่านั้นเองแต่ว่ายังโง่อยู่หลงมีหลายเกรดนะหลงอันแรกหลงลืมนะหลงลึกซึ้งลงไปเนี่ยหลงโง่หลงเข้าใจผิดหลงลืมเนี่ยแค่เรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะก็ไม่ลืมละ มีกายก็รู้สึกถึงกายมีใจก็รู้สึกถึงใจแต่หลงโง่เนี่ยนะต้องเจริญปัญญาวิธีจเจริญปัญญาต้องมีจิตที่ตั้งมั่นก่อนนะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ทรงสมาธิ <cade fishing> เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานขึ้นมาก่อนเมื่อก่อนหลวงพ่อหาครูบาอาจารย์นะเมื่อ30สิปีก่อนนะหาครูบาอาจารยนะ์เข้ not, าวัดไหนวัดไหนท่านพูดแต่คําว่าจิตผู้รู้นะเป็นวัดนี้ท่านก็พูดเรื่องจิตผู้รู้ไปวัดนี้ก็พูดเรื่องจิตผู้รู้นะ หลังๆนี้หายไปไม่ค่อยได้ยินนะคำนี้พวกเราลองนึกถึงนะจิตมันไม่ต้องเป็นคนรู้นะจิตของเราไม่มีผู้รู้หรอกมันจะเป็นจิตผู้คิดลูกเดียวงั้นคอยรู้ท่านจิตคิดนะแล้าจิตรู้จะเกิดขึ้นพอจิตรู้เกิดขึ้นต่อไปนี้เราจะเจริญปัญญาละอาจาร์มหาบัวท่านบอกว่าถ้าไม่พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์นะอย่ามาอวดเลยว่าเจริญปัญญาถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะ อย่ามาอวดว่าจเจริญปัญญานะเนี่ยท่านพูดฝันทงขนาดนี้เลยนะคําสอนของครูบาอาจารย์สายกรรมฐานนะไม่ผิดไม่ต่างอะไรกับตาราอภิธรรมเลยในตำราอภิธรรมเนี่ยปัญญาตัวที่หนึ่งเลยชื่อนามรูปปริเฉทญาณใครเคยได้ยินบ้างมีไหมโอ้เยอะนี่พวกเรียนปริยักษ์นามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาที่จะแยกรูปนามได้แยกกายแยกใจได้นะ เราจะเห็นในร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใจเป็นคนดูเราได้นนดมาจากการฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเราได้ใจที่เป็นคนดูมาแล้วเมื่อเราได้ใจที่เป็นคนดูมาแล้วเรามาคอยดูร่างกายเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ค่อยๆรู้สึกลงไปร่างกายที่นั่งอยู่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจะดูทีละส่วนก็ได้หรือจะดูรวมก่อนก็ได้ดูรวมก่อนก็ได้นะหรือจะดูเป็นส่วนๆก็ได้ท anyway. clay, ั้งร่างกายที่กําลังนั่งอยู่เนี่ย เป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายที่หายใจออ ก, อ ก, ก, M อกเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายหายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูผมก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอะไรพวกนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูใครเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ดูต้องฝึกให้ได้จิตเป็นผู้รู้ก่อนนะ ถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้อย่าไปดูกายก่อนนะไม่ได้เลยเลอะเทอะเลยใจจะฟุ้งซ่านดูไม่ได้จริงหรอกต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วมาดูกายเห็นร่างกายมันนั่งเรารู้สึกไหมบางคนนั่งพัดด้วยนะบางคนพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าเวลาฟังหลวงพ่อเทศนะฟังไปฟังมาเห็นด้วยเห็นด้วยพยักหน้าแต่พยักหน้านล้ใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่หลวงพ่อนะใจไม่ได้อยู่กับตัวเอง เราพยักหน้าล้วใจอยู่ที่ตัวเองสิจะเห็นทันทีเลยไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยว่าไม่ใช่ตัวเรานะแต่ถ้าหลงอยู่อย่างนี้นะมันไม่ได้ดูกายดูใจลืมกายลืมใจเนี่ยนี่คือจิตฟุงนะ้งซ่านอ่ะจิตไม่ตั้งมันนะ่นเรไม่มีสมาธิแล้วถ้าลืมกายลืมใจต้องรู้กายรู้ใจรู้สึกตัวให้ได้ นะพอรู้สึกตัวแล้วดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนใจเป็นคนดูนะร่างกายคู่ร่างกายเหยียดร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูหัดดูไปเรื่อยหัดดูไปเรื่อยนะบางคนทําสมาธิมาจิตมันนิ่งเกินสมาธิลึกเกินไปนะจิตจะไม่ยอมพิจารณากายอันนี้ต้องช่วยมันคิดก่อนนะเพราะงั้นบางคนเนี่ยถ้าออกจากสมาธิแล้วก็สบายเพลินเฉยอยู่ นี่สมาธิอย่างนี้เหล้วไหลที่สุดเลยสมาธิที่ติดโลกติดสงสารอยู่อย่างนี้นะถ้าออกจากสมาธิแล้วจิตก็เพลินมีแต่ความสุขนะติดอยู่ในความสุขใจก็เคลิมเคลิมเยิมเยิมอยู่อย่างนะี้อย่างนี้เราพิจารณากายเข้าไปก่อนเลยนะใช้การคิดเลยพิจรารณาร่างกายเป็นส่วนๆนะผมคนเล็บฟันหนังพี่น้าเป็นส่วนๆไปนะเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยแต่ถ้าเราชํานาญพอนะจิตออกจากสมาธิเราไม่ไปติด จิตออกจากสมาธิมาจิตยังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยเรารู้ลงในกายเราเห็นได้กายเห็นกายนี่รู้ลงไปเลยนะไม่ต้องคิดด้วยซ้ำไปไมันจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นบางคนต้องคิดก่อนบางคนเนี่ยที่เคยเดินปัญญามาแต่ชาติต่างก่อนแล้วเนี่ยพอมีผู้รู้ขึ้นมานะมันจะเห็นร่างกายแยกออกไปเองเลยพอเห็นร่างกายแยกดูไปสิไม่ใช่ตัวเราเหรอกดูไปร่างกายมีแต่ของไม่เที่ยง ร่างกายมีแต่ความทุกข์พวกเราดูออกไหมกายมีแต่ทุกข์ถ้าไม่คอยรู้สึกอยู่ที่กายเราก็ไม่เห็นหรอกอย่างนั่งอยู่เนี่ยใครเก่าแล้วบ้างยกมือให้ดูซิมีคนไหนเก่าเก่าตัวเองนะไม่เก่าคนอื่นนะมีใครเก่าแล้วบ้างมีไหมยกมือยกมือนี่ต้องเก่าเพราะเราสืบพันมาจากลิงต้องเก่าแต่ละคนนะ่ะยุกยิกยุกยิกนะใครนั่งแล้วขยับตัวขยับเอวบ้าง ลุกจากเก้าอี้ไม่ได้ใช่ไหมขยับใช่ไหมทําไมขยับเพราะมันทุกข์นึกออกไหมมันเมื่อยนั่งนานๆย่างเมื่อยเลยนะขนาดนั่งเก้าอี้นะนั่งเก้าอี้ตัวละแสนก็เมื่อยนะไม่ใช่ไม่เมื่อยยิ่งนั่งเก้าอี้เวลาเทศนะเมื่อยมากเลยนะเขาจะนั่งหาเก้าอี้ใหญ่ๆนะนี่ที่นี่ดีมากเลยนั่งแล้วหลังเราถึงนะส่วนใหญ่นั่งนั่นะโอ้นั่งแล้วเมื่อยขนาดเก้าอี้ดีๆนั่งแล้วยังเมื่อยเลย เพราะอะไรเพ ก, กายนี้เป็นตัวทุกข์นะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นอนให้สบายที่สุดเลยเมื่อยไหมนอนเวลาเมื่อยไหมนอนเมือ่อยคืนหนึ่งเราพลิกกี่ครั้งหลายครั้งตอบถูกเองไปดูสิคืนหนึ่งตอนเราหลับเนี่ยเราพลิกได้กี่ครั้งสามสี่สิบครั้งนะอันนี้สำหรับคนนอนนานนะถ้าอย่างหลวงตาท่านนอน เป็นหนึ่งสองสามชั่วโมงแล้วก็พลิกไม่ถึง40สิครั้งพวกเรานอนเยอะประมาณสี่ครั้ง30ครั้งพลิกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวขยับไปเมื่อยก็พลิกพลิกพลิกขยับไปไม่เคยเห็นทุกข์เห็นโทษในกายเลยมีสติอยู่ในกายเลยเห็นกายนะี้เป็นทุกข์เป็นโทษนะหายหลงหายหลงว่ามันเป็นของดีของพิเศษนะนี่คอยดูลงไปที่กายก็จะเห็นว่ากายมีแต่ของไม่เที่ยง กายมีแต <assim. S 1> ่ของเป็นทุกข์กายมีแต่เป็นก like ้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามาหาดูจิตดูใจก็เห็นเลยเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็เฉยเฉยจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตเฉยก็ไม่เที่ยงจิตทุกชนิดทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์ขังจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะร้ายสั่งไม่ได้เราสั่งให้จิตมีความสุขได้ไหมสั่งไม่ได้ไม่มีใครสั่งจิตให้มีความสุขได้ สั่งห้ามอย่าให้มีความทุกข์ได้ไหมห้ามไม่ได้เราสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้นะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งตัวนี้แปลว่าอนัตตาเลอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจของเราบังคับมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ น, นี่ดูของจริงนะหัดดูนะบางคนต้องดูกายก่อนนะถ้าถนัดดูกายชอบเรื่องรูปดูกายก่อนบางคนดูจิตเลยนะหลวงพ่อตอนเด็กๆนะ ได้ยินครูบาอาจารย์พูดนะพุดโธพิจารณากายท่านสอนนะเราก็ดูเหมือนกันนะดูผมปุ๊บผมหายไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะปุ๊บทะลุเห็นหัวกะโหลกอย่างเงี้ยดูหัวกะโหลกแล้วเห็นหัวกะโหลกทั้งหัวหัวระเบิดหายไปแล้วกระดูกดูกระดูกต่อแล้วกระดูกระเบิดออกไปอีกกลายเป็นแสงหายไปอีกนะแล้วไม่รู้จะไปภาวนายังไงเลยรู้สึกไม่ถนัดดูกายไม่ถนัดเบื่อดูสองสามนาทีก็ไประเบิดออกไปนะ ใจมันไม่เอาใจมันรู้สึกว่าดูกายไม่ถนัดมันไม่ชอบมันไม่อยากดูจนมาเจอหลวงปูด่ดูลปีสองหกเจอหลวงปู่ดูลีหลวงปู่ดูลนะเวลาไปเรียนด้วยนะท่านไม่สอนตรงๆนะท่านจะนั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงแล้วก็ลืมตาขึ้นมาถึงจะสอนแล้วสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านเลยสอนให้หลวงพ่อดูจิตเลย งหลงพ่อเนี่ยเริ่มเจริญปัญญาด้วยการดูจิตไปเลยไม่ได้เริ่มเริ่มจากการดูกายนะหัดดูจิตดูใจตัวเองแล้วพอหาครูบาอาจารย์นะไม่ว่าองค์ไหนองค์ไหนไม่มีองค์ไหนว่าผิดเลยนะมันลงที่เดียวกันหมดสุดท้ายคือมันเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูกายก็เห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะสุดท้ายมันก็จะเห็นนะ่าโลกนั้นแหะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วหัดรู้หัดดูบ่อยๆนะ ดูไปเรื่อยๆดูกายรู้สึกอยู่ในกายเห็นกายมันทํางานรู้สึกอยู่ที่จิตเห็นจิตมันทํางานเห็นมันปรุงดีปรุงร้ายปรุงสุขปรุงทุกข์นะใครถนัดดูกายก็ดูกายไปมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูใครถนัดดูจิตนะก็ดูไปเห็นความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเนี่ยหัดอย่างนี้บ่อยๆหัดบ่อยๆ ถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดปัญญาเบื้องต้นมันจะเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเพราะอะไรกายเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเช่นร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับผมก็ไม่ใช่เราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่ใช่เรามันเห็นของมันนะเห็นของแท้ด้วยใจของเราเองนะมาดูจิตดูใจก็เห็นเลยจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราเหมือนกัน เราเห็นจนเห็นกายเห็นใจนะเห็นทั้งหมดเลยขันห้าซึ่งมันประกอบกันขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราตัวเราเนี่ยพราะเราเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราเนีเราจะได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วธรรมะขั้นต้นเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันท่านมีปัญญาเห็นความจริงนะว่าขันห้าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเราที่ไหนด้วยนอกขันห้าก็ไม่มีนะตอนนี้เรามีตัวเรานะเพราะว่าขันห้ามันมารวมกัน แล้วเราไปหมายรู้ผิดผิดว่ามันเป็นเรานะหัดให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็หัดแยกขันไปกายส่วนกายนะวิธีแยกง่ายๆเลยนะนั่งไปนั่งสมาธินั่งดูเหมือนไปสังเกตอะไรร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึอกอย่างนี้ก่อนก็ได้นะพอนั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาค่อยดูไปความปวดความเมื่อยก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ร่างกายร่างกายนั่งอยู่ดีๆแหละความปวดความเมื่อยมาทนะีหลังก็จะเห็นเลยความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกาย พอมันปวดมันเมื่อยมากๆเข้าจิตใจมันกระสับกระสายขึ้นมาแล้วก็เห็นเลยแต่เดิมจิตไม่กระสับกระสายตอนนี้จิตกระสับกระสายนความกระสับกระสายก็ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความปวดเมื่อยไม่ใช่จิตนีขันจะแยกออกนะค่อยๆฝึกไปค่อยฝึกทุกวันทุกวันนะจนขันมันแยกพอขันแยกแล้วค่อยดูไปเลยแต่ละอันแต่ละอันไม่มีตัวเรามีแต่ของเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับถ้าดูแล้วจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงได้วันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มี ถ้าใจยอมรับความจริงได้ว่าตัวเราไม่มีเราได้ธรรมะเบื้องต้นอะเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันมีจะมีศีลอัตโนมัติแล้วนะไม่ทําผิดศีลมีศีลอัตโนมัติไม่ใช่ศีลห้าด้วยนะไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดนี่มีศีลอัตโนมัติเรียกว่าอริยกันตศีลนะศีลที่พราอริยชมก็คือจิตเนี่ยนะแค่กิเลสหมาานี่รู้ปั๊บไม่ปล่อยให้มันครอบงําจนทําผิดศีลห้าเลยเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเลย มีสมาธิเล็กน้อยใจยังไหลอยู่ใจยังเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนใจพระโสดาบันใจของเราเนี่ยเคลื่อนไล่ๆกันเดี๋ยวก็ไหลไปทางตาไหลทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไหลอุตลุดอยู่นั้นน่ะมีปัญญาเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยก็คือเห็นว่าตัวเราไม่มีพวกเรามีไหมปัญญาที่เห็นว่าตัวเราไม่มีงั้นยิ่งกว่าน้อยอยีกปัญญาจุ๋มจิม๋มเออหรือปัญญาอะไรไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะไม่ใช่ปัญญา เป็นปัญญาที่ยังน้อยมากๆเลยนะเพราะงั้นเราหัดมีสติรู้กายรู้ใจไปนะแยกธาตุแยกขันธ์ไปมีใจเป็นคนดูดูธาตุดูขันธ์ทำงานมากๆพอดูมากๆปัญญามันเกิดนะเนี่ยรู้ทันแล้วทำลายความหลงได้ทำลายความห ล, ล, ลงอันแรกเลยทำลายความหลงว่ามีตัวเรานะถ้าคนไหนทำลายความหลงว่ามีตัวเราได้แล้วเนี่ยเป็นพระโสดาบันเชี่ยงต่อการตรัสรู้ในวันข้างหน้าไม่เกินเจ็ดชาติหอ ต่ไปก็เภานาอีกนะก็ฝึกเหมือนเดิมนั่นแหละมีสติรู้กายรู้ใจแต่ต้องรู้ด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีจิตตั้งมั่นมีสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เรื่อยไปดูจิตได้ก็ดูไปดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําความสงบไปนะพุทโธไปหายใจไปให้จิตมันมีแรงขึ้นมาจิตมีแรงมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่มาดูกายดูใจใหม่นะเนี่ยวนเวียนอยู่อย่างนี้นะ นั้นบางทีจิตจะพลิกไปทําสมถะเป็นช่วงๆทิ้งไม่ได้นะเราะนั้นจิตจะต้องพลิกเข้าหาความสงบเป็นช่วงๆให้มันมีกําลังพอมีกําลังแล้วมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วนะก็มาดูธาตุดูขันมันทํางานกายส่วนกายเนะีเมตนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ส่วนเวทนาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วก็ส่วนของความปรุงแต่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะเนี่ยฝึกไปมากมากมาก เบื้องต้นก็จะเห็นว่าไม่มีเราต่อไปจะเห็นลึกซึ้งขึ้นมันจะเห็นเลยว่ามีแต่ทุกข์ไม่ใช่ไม่มีเราอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวนะมันยังเป็นตัวทุกข์ด้วยพระโสดาบันนะเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้าธาตุขันนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ปล่อยวางไม่ได้ยังไม่ปล่อยวางนะรู้ว่ายืมโลกมาใช้นะรู้ว่าขันท่าเนี่ยเป็นของที่ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่คืน เรายังคิดว่าขันห้าเป็นของดีของวิเศษยังหวงยังแหนยังรักอยู่เห็นไหมนี่ยังหลงอยู่นะยังหลงอยู่ต้องมาทําลายความหลงตัวนี้ต้องมาให้เห็นความจริงเลยว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่เห็นขันห้าเป็นตัวทุกข์นะยังเห็นขันห้าเป็นของดีของวิเศษไม่ปล่อยวางหรอก mm hmm. ถึงจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรานะก็ยังเอาไว้ไม่ยอมปล่อยคล้ายๆยืมของเข้ามาใช้แล้วของนี้มันดีนะไม่ยอมคืนเจ้าของนะเพราะฉะนั้นต้องมาเจริญปัญญาต่อไปนะมารู้ทันต่อไป นี่รู้ทันแล้วจะทําลายความหลงนะต่อไปนี้นะทำลายความหลงชั้นลึกซึ้งคือทําลายความหลงที่ว่าขันห้าเนี่ยเป็นของดีของวิเศษถ้าทําลายได้เราจะเห็นนะาขันห้าเป็นตัวทุกข์นะถ้าไม่ได้ถึงตรงนี้นะข้ามพราะข้ามชาติไม่ได้จริงหรอกอย่าวนเวียนไปอีกงั้นเรามาดูต่อไปอีกนะมีสติรู้กายรู้ใจไปรู้ได้จิตตั้งมั่นเป็นกลางวันนี้มีกําลังดูกายดูใจไปวันนี้ไม่มีกําลังทําความสงบแต่แนะนํา ควรทำความสงบทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยนะถึงตอนนี้สิบนาทีเราไม่พูดกันแล้วละ่ะถ้าภาวนาจนถึงขนาดนี้นะมันเกิดแล้วละ่ะมันดูได้ทั้งวันนะมีสติคอยรู้อยู่ได้ทั้งวันนะต่อไปนี้แต่ว่าทำความสงบเข้ามานะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเงี้ยให้จิตได้พักผ่อนนะบางคนก็จะพักยาวเป็นชั่วโมงนะ บางคนพัก10บนาทีจิตเคลื่อนออกมาพิจารณากายพิยาจารณาใจต่อก็กลับเข้าพักอีกแล้วเคลื่อนออกมาพิจารณาใหม่ก็กลับเข้าพักอีกอย่างนี้ก็มียังไงก็ได้นะให้รู้จักพักบ้างก็แล้วกันถะ้ไม่พักเลยลุยรวดไปจเจริญปัญญารวดไปนะไม่ไหวหรอกไปไม่ไหวถ้าสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นพอนะปัญญาไม่คมพอที่จะฆ่ากิเลสล้วนะเรามาฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเริ่มเห็นร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ เห็นกายก่อนเพราะกายจะดูง่ายมันจะเห็นเลยว่าถ้าจิตมีความสุขมีความสงบจิตสงบนะจิตจะมีความสุขถ้าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงจะทุกข์แต่กายเนี่ยทำยังไงก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์จะเห็นนะกายนี่หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์จะเห็นกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่จิตเนี่ยไม่กไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยปัญญายังไม่พอนะ ปัญญาจะเห็นแค่ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์ในจิตเป็นของดีของวิเศษนะผู้ปฏิบัติถ้าภาวนามาถึงจุดนี้นะไม่ยึดถือกายลนะ้ทำลายกามกามมันก็เนื่องมาจากกายนะนะความรักในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส ต, ต่างๆก็มีตาก็เลยไปรักรูปได้ถ้าไม่มีตามันไม่รักรูปหรอกนะไม่มีหูไม่มีจมกูกไม่มีลิ้นนะสัมผัสโลกข้างนอกไม่ได้ไม่ไปหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสข้างนอก แต่ว่าเพราะอาศัยเรามีร่างกายเนี่ยเราไปสัมผัสอารมณ์ภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสแล้วเรารู้สึกว่ามันนําความสุขมาให้ตาเรามองเห็นของสวยเราก็ว่าตานี้ของดีหูบางทีก็ได้ยินของดีได้ยินเรื่องดีๆเราก็าหูนี่เป็นของดีจมูกบางทีก็ได้กลิ่นหอมระหว่างกลิ่นหอมกับ ก, บกลิ่นเหม็นได้กลิ่นอะไรมากกว่ากันถ่ายถูกไหมดูสิจมูกเนี่ยนะเป็น อายตนะที่อาพับใช่ไหมไม่ค่อยมีใครสนใจอ่ะแล้วลิ้นนะ่ะระหว่างรสอร่อยกับรสไม่อร่อยอะไรเยอะกว่ากันแล้วแต่กรรมตอบไม่ถูกแล้วนะแล้วแต่กรรมถ้าวิบากที่เป็นกุศลให้ผลนะจะสัมผัสอารมณ์ที่ดีนะวิบากที่เป็นอกุศลให้ผลมาก็สัมผัสอารมณ์ไม่ดีนั้นแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกบางคนเจอแต่ของดี บางคนเจอของไม่ดีอย่างนั่งรถไปเคยเห็นรถก็ชนกันข้างถนนไหมรถชนชได้หมกลัวไหมสยองสยองนะแยงแยงแต่อยากดูแปลกดีนะดูทุกรายดูบางคนก็เห็นศพเละเทะเลยบางคนไม่เห็นนะทำไมไม่เห็นนะเห็นมองไม่เห็นศพนะเห็นแต่เขาจัดต้นไม้ไว้สวยอยู่ริมถนนนะวิบากไม่เท่ากันแต่ว่าอาศัยมีตานะมันได้สัมผัสอารมณ์ที่ดีบางครั้ง อาศัยหูจมูกลิ้นกายใจได้สัมผัสอารมณ์ที่ดีบางครั้งมันก็เลยเพลินนะเลยเพลินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเห็นนะมีแต่ทุกข์นะกายนี่มีแต่ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เห็นมากเข้ามากเข้านะมันหมดในความรักในความยึดถือกายนะต่อไปนี้กายจะแก่ก็เรื่องของกายกายจะเจ็บก็เรื่องของกายกายจะตายก็เรื่องของกายนะไม่หวั่นไหวแล้วคราวนีนะ้ถ้าฝึกได้อย่างนี้เราเป็นภูมิธรรมของพระนาคามีนะ จิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงมันไม่ไหลไปในกามแนละ้วไม่เพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนละจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เกือบทั้งวันเลยเด่นอยู่อย่างนั้นนะนานๆมองๆ ห, หน่อยๆถ้านะผู้ปฏิบัติถ้ามาถึงตรงนี้นะจะหลงนะเนี่ยรู้ไม่ทันก็หลงหลงว่าจิตนี้เป็นของดีของวิเศษตัวผู้รู้นี่แหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นของดีของวิเศษที่แท้จริงถ้าจิตไม่มีความอยากไม่มีความยึดจิตจะมีแต่ความสุขล้วนๆ น, นี่ยังหลงอยู่นะ ่านหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดูลย์ครั้งสุดท้ายนะท่านกลัวหลวงหลวงพ่อจะมาหลงอยู่ที่นี่นะท่านอุตส่าห์บอกกรรมฐานให้บอกว่าจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเมื่อเราฝั่งก็จําไว้อย่างเดียวนะภาวนาไม่เป็นหรอกพบผู้รู้พบจิตอะไรนี้จะทําลายมันได้ไงแค่พบผู้รู้ยังพบยากเลยผู้หลงเยอะกว่าผู้รู้วันๆหนึงมีแต่ผู้หลงใช่ไ นี่ขนาดเจอผู้รู้ของดีของวิเศษแล้วบอกให้ทำลายจริงอีกนะไปเจอหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยนะหลวงพ่อพุทธท่านเฉลยให้ฟังวนะ่าทำลายผู้รู้ทำลายจิตที่ก็คือไม่ยึดถือมันนั่นแหละแต่เราจะหมดความยึดถือจิตได้นะต้องภาวนาณภาวนาจนจิตรวมลงที่จิตแล้วเนี่ยถ้าปัญญาแก่รอบพอเนี่ยจะเห็นว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ตัวผู้รู้นั่นแหละเป็นตัวทุกข์ตัวนี้มันต้องเห็นเองต้องภาวนาให้มากๆากถ้าเห็นว่าตัวผู้รู้เป็นตัวทุกขนะ์เนี่ย จิตมันจะปล่อยตัวผู้รู้ทิ้ง น, ะนี่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้นะหลวงพ่อก็เอามาบอกต่อก่อนที่คำสอนของท่านจะหายไปซนะบอกต่อให้งั้นไม่ใช่พาวนาแล้วจิตเด่นดวงอยู่ทั้งวันแล้วก็พอใจมีความสุขอยู่แค่นั้นไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ต้องรู้ลงไปอีกตัวจิตผู้รู้นี่แหละตัวทุกขนะ์ถ้าเห็นได้นะมันพลิกทีเดียวมันจะเห็นมีแต่ตัวทุกข์ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ phải, ไป <artık> เห็นถึงขนาดนี้เลยเนหะ็น แ, <hearing otta> <ffe ï nt> แล้วมันจะสลัดจิตทิ้งจะคืนจิตให้โลกไปเ<ๆ>มื่อไม่นานนี้ไปเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านภาวนานนะเหมือนฟ้าผ่าเลยนะฟ้าผ่าแตกหมดเลยระเบิดหมดเลยนี่ท่านก็แบบของท่านนะท่านก็เล่าแต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอกนี่พวกเราก็มาหัดนะหัด ก็ถึงจุดนั้นได้เนี่ยจิตเราจะแปลสภาพออกไปจิตจะเปลี่ยนสภาพไปจะไม่ใช่จิตอย่างที่พวกเรามีอย่างนี้จิตของพวกเรามีเนี่ยเป็นจิตที่พร้อมจะปนเปื้อนรู้จักกระดาษซับไหมคนโบราณจะรู้จักคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแล้วมั้งคนสมัยก่อนเขียนใช้หมึกอะหมึกน้าอะนะเขียนผิดนะบางทีต้องอกระดาษซับแป ะ, ะจิตมันซับกิเลสเร็วที่สุดเลย ไปที่สุดเลยแล้วล้างออกยากแต่ซับง่ายนั้นะเรามีสตินะมีสติมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้เรื่อยไปถึงวันหนึ่งถ้าเราจิตของเรามีบุญวัสนาพอนะมันสลัดคืนจิตให้โลกไปนะจิตมันกลายเป็นธรรมนะจิตกะธรรมเป็นอันเดียวกันขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ากับจิตก็อันเดียวกันนะ พระพุทธเจ้ากับจิตก็ เ, เป็นอันเดียวกันไม่ใช่เป็นสองอันหรอกนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงเป็นอันเดียวกันหมดเลยจิยตตรงนี้จะมีแต่ความสุขล้วนๆเลย น, น, นะความสุขมหาศาลนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังหลงอยู่ก็หัดรู้ทันนะสรุปพรละกาันเทศมาได้หนึ่งชั่วโมงมากไปไหมเนี่ยหลวงพ่อดูนาฬิกาแล้วสักสนมาที่แรกว่าจะเทศบ่โมงแล้วมันเลื่อนๆ่อนมาเลย กะเวลาไม่ถูกแล้วเบื้องตอน้นมีสตินะรู้ทันจิตตัวเองกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมันไวๆแล้วศีลของเราจะเกิดขึ้นเบื้องกลางถ้าจิตไหลไปคิดเราคอยรู้ทันอาจจะพุโทโธหายใจอะไรประกอบด้วยก็ได้แล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันเราจะได้จิตที่มีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดู เมื่อมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะเบื้องปลายนี่รู้ทันอะไรรู้ทันรูปนามกายใจนี่ว่ามันเป็นไตรลักษณ์มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์นี่เองรู้ด้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้ารู้ได้ถึงตรงนี้นะเบื้องต้นทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราเบื้องปลายทำลายความยึดถือในธาตุในขันธ์ทาลายความยึดถือได้เป็นราหรหันนะทาลายความเห็นผิดได้เป็นพระโสดาบัน ไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้แต่ต้องเป็นคนจริงคนโลเลเรอแหล ะ, ละไม่จริงทำไม่ได้หรอกนะถ้าโลเลหรอแหล ะ, ละบารมีเรายังไม่ถึงขั้นจะเป็นพระอริยบุคคลนะมีสติรู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆอย่างน้อยไม่ผิดศีลห้าชาติหน้าได้มาเป็นคนใหมนะ่มาเป็นคนใหม่แล้วก็ไปฟังซีดีหลวงพ่อเอาก็แล้วกันหนะลวงพ่อคงไม่อยู่รอสอนหรอกเนาะ ไปฟังต่อไปฟังต่อแล้วขี้เกียจอีกนะยังรักษาศีลห้าก็ยงกลับมาเป็นคนได้อีกนะอมไม่มีศีลห้าเราก็โอ้ไม่รู้จะช่วยยังไงละนะอยากดูถูกศีล น, นะคนทุกวันนี้ดูถูกศีลดูถูกที่สุดเลยไม่เห็นว่าสําคัญเลยนะเงินแผ่นดินร้อนเป็นไฟคนไม่มีศีลนะเราไปแก้คนอื่นไม่ได้เรามีศีลของเราใจเราร่มเย็น พอใจเราร่มเย็ยนคนหนึ่งขึ้นมาแล้วนะเรามีศีลขึ้นม า, ามาพัฒนาให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะมีความสุขที่ประณีตมากขึ้นบีกนะมีสมาธิขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวต่อไปมหัดแยกธาตุแยกขันดูกายดูใจมันทํางานเรื่อยไปเราเป็นแค่คนดูปัญญากเกิดนั้ะจะมีความสุขมหาศาลพ้นโลกเลยเป็นความสุขระดับพ้นโลกไปเลยใครทําได้ระดับไหนก็ทําแต่ขอให้ทําสักระดับหนึ่งก็ยังดี คอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่จิตคอยรู้ทันนะต่อไปได้กลับมานั่งฟังเทศต่อถ้าใครบา ร, รมีมากกว่านั้นก็มาฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตตั้งมั่นมีสมาธิได้แล้วไม่เดินปัญญาต่อก็ไปพักอยู่ในปรอมโลกก่อ น, นถ้าเดินปัญญาต่อไปก็ได้มักได้ผลไปพ้นทุกข์ไปพ้นเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดทีไรมีแต่ทุกข์ทุกทีเลยเกิดทีไรมีแต่ทุกข์ทุกทีกทเลย งั้นพวกเราตั้งอกตั้งใจนะไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วก็ได้แต่บอกให้นะแล้วทําเอาเองไม่ทําก็ไม่รู้จะทำอย่างไงแล้วล่ะถ้าอยู่ใกล้ๆบางคนเราก็ด่าเอานะลูกศิษย์คนไหนขี้เกียจหลวงพ่อ ก, ก็ด่าเหมือนกันนะบางทีถ้าลูกศิษย์บอกว่าภาวนาแล้วเห็นกิดเลสเยอะแยะหลวงพ่อชมนะแต่ลูกศิษย์บอกว่าขี้เกียจภาวนาเนี่ยโอ้ฟังแล้วแสลงใจ กว่าพระพุทธเจ้าจะได้ธรรมะ ม, มานะยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนว่าครูบาอาจารย์จะรักษาธรรมะสืบทอดตกมาถึงรุ่นเรานะลำบากยากเย็นขนาดไหนแล้วพวกเราจะมาทอดทิ้งซะเหลวไหลที่สุดเลยนะเพราะฉนพวกเราเรียนให้ได้นะฝึกษาปฏิบัติให้ได้อย่าให้เสียชาติเกิดมาพูดง่ายๆนะอย่างน้อยต้องได้ศีลศีลดีๆนะศีลแบบสติรู้ทันจิตเอาตัวนี้ให้ได้ก็ยังดีอะ หลังจากนั้นก็สติรู้ทันจิตที่หลงไปคิด ไ, ได้สมาธิขึ้นมาหลังจากนั้นมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วนี่มีจิตมีสมาธิเป็นคนดูดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูหนักๆดูไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งมันก็แจ้งเองแลละได้ทางศีลสมาธิปัญญาหายหลงหายโง่ะนะก็เป็นพระอริยบุคคลผู้เจริญนะหายหลงเอาเท่านี้นะเท่านี้พอ กราบหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนี้เราเตรียมผู้ที่โชคดีจำนวนสิบสองท่านนะคะได้มีโอกาสาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อค่ะขอเรียนเชิญท่านแรกเลยนะคะครั บ, ร บ, บกราบนมัสการหลวงพ่อครับเมื่อสามปีที่แล้วเคยไปสวนสนิธรรมครับอตอนนี้ภาวนาดูเห็ น, เ ห, นเห็นจิตหเห็นจิตกนะเห็นจิตกับจิตทุกข์ครับ จิตทุกข์เห็นจิตคิดก็เห็นจิตทุกข์ครับอืแล้วก็มาดูดูมาพิจารณาว่าหาวิธีแก้ทุกข์ดูตั้งแต่เส้นผมไปถึงปลายเท้าดูปลายเท้าขึ้นถึงเส้นผมแล้วเห็นตัวรู้ครับจะรู้แล้วก็มีตัวรู้หรือมีตัวรู้หรือหรืออะไรมีตัวรู้ครับอมีตัวรู้สุดีครับมีตัวรู้แล้วก็พยายามทําให้ใจเป็นกลางโดยการวางทุกอย่างไ ม, ไม่รู้ว่าทําถูกหรือเปล่าครับอไม่ต้องพยายามนะ ตรงที่จิตจะเป็นกลางเนี่ยมันมีกลาง3ระดับนี่นแรกกลางเพราะสติอันที่กลางเพราะสมาธิอีกอันหนึ่งกลางเพราะปัญญาไม่มีกลางเพราะบังคับนะเพราะฉั้นอย่างที่ว่ากิเลสเกิดใจเราไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะอันนี้เป็นกลางด้วยสติควาไม่ชอบจะดับเองนะถ้าเป็นกลางด้วยสมาธิทําสมาธิจิตเป็นกลางอันนี้ไม่ได้เดินปัญญาต่อ ถ้ากลางปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าอย่างเราเห็นความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วดับไปนะทุกอย่างเกิดมาแล้วดับไปใจไม่เห็นจริงนะมันจะเป็นกลางความสุขกับความทุกข์ก็เสมอกันนะใจเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้ดีที่สุดเลยนะแต่ถ้าเป็นกลางเพราะไปบังคับไม่ดีนะอย่างน้อยเป็นกลางด้วยสติให้รู้ทันจิตที่หลงยินดีจิตที่หลงยินร้ายรู้ทันบ่อยๆพอเห็นเห็นอาการพอเห็นว่า มันเกิดอาการคล้ายๆว่าเป็นกลางนี่ครับมันเกิดความสุขที่กลางๆใจนี่ครับและบางทีไปเห็นตัวเองมันเคลื่อนไหวเองครับเห <einzel S 2> ็นตัวเองอะไรนะเคลื่อนไหวเองครับเออ <ณ S 1> ใช่ใช่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะอย่านั้นถึงใช้ได้ครับนะบส่วนจิต จ, จะเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางให้รูาาร้ทันเอาแล้วมันเป็นกลางของมันเองครับอย่าไปบังคับให้เป็นกลางนะจิตไม่ชอบให้ใครบังคับจิตรักอิสระ ขอการบ้านต่อนประคองจิตอยู่หรือเปล่าขณะ น, นี้มีประคองอยู่บางครั้งครับหรอขณะนี้ประคองไหมมันเกิดตัวสุขอยู่กลางๆครับอะไรนะเกิดความสุขอยู่กลา ง, ลางใจ ค, ครับอ๋อจิตตอนนี้กับจิตตอนที่ไม่ได้ภาวนาเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับนั่นแหละกลับไปใช้จิตอย่างโน้นนะครับจิตอย่างนี้เป็นจิตที่เราไปกดให้นิ่งเอาไว้ไม่เดินตัญญา จ, จริง จิที่ดีที่สุดนะคือจิตของคนธรรมดาที่สุดนะจิตของคนธรรมดานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนติว้วติ้วติอย่างนี้ทั้งวันเราแค่มีสติรู้ทันนะจะเห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าประคองนิ่งอยู่ตลอดอย่างเนี้ยมันจะไม่แสดงใจรักมันจะนิ่งนิ่งไม่ดีหรอกช่วยประคองไว้ครับช่งชวงเช้าครับบางทีมันเหมือนดูภาวนาไม่เป็นครับ เออภาวนาไม่เป็นไม่เป็นไรรู้ว่าภาวนาไม่เป็นอยากภาวนาให้เป็นรู้ว่าอยากนะแล้วก็ทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปพุโทโธไปอะไรไ ป, ไไปเป็นไม่เป็นก็ช่างแต่ว่าภาวนาไว้ก่อนแต่ว่าการภาวนานะไม่ว่าขั้นไหนนะทุกๆขั้นเลยเจริญเราก็เสื่อมได้นะบางวันนะเหมือนมากคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าแล้วบางวันเหมือนคนภาวนาไม่เป็นแต่ตัวสาคัญต้องไม่ไปให้ใจติดนิ่ง นะอย่าประคองใจให้ติดนิง่งคิดถึงใจตอนที่ยังภาวนามไม่เป็นใจที่แ่งขึ้นแฝงลงเราต่างกับคนภาวนามไม่เป็นนิดเดียวคนภาวนามไม่เป็นนะใจเขาแข่งขึ้นแฝงลงตลอดเวลาแต่เขาไม่เคยรู้เคยเห็นของเราเนี่ยใจแว่งขึ้นแฝงลงเรารู้ทันมันนะรู้ทันมันจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ถึงชฉดีนะถึงจะเกิดปัญญาครับหมดคําถามแล้วครับอย่านิ่งนักนะอ๋อนิ่งเพราะกลัวหลวงพ่อ ค่อยวางใหม่เลยก็สบายขึ้นไหมวางใหม่แล้วสบายขึ้นไหมข <c oughs> อใหม่นี่เองแหละตัวปัญหาค่ะก็ เ, เคยส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อประมาณไปปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็หลวงพ่อแนะนำว่า ไปติดกับความว่างนะคะก็คือโล่งๆว่างๆอยู่ข้างหน้าค่ะดูไหมดูออกไหมพอกลับไปก็เริ่มมาย้อนดูกายดูใจตัวเองค่ะก็รู้สึกว่าเอติดว่างไม่ดีเลยนะติดว่างตายคาที่อยู่ตอนนั้นเลยหลวงพ่อเคยติดอาจารย์มหาบัวแก้ให้เนี่ยไปติดตัวนี้แหละติดว่างค่ะท่านบอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วไปติดว่างนั่นแหละก็ ก็คือฝึกก็คือย้อนมาดูกายดูใจตัวเองนะคะออแล้วก็ออนนใช้วิหารธรรมเลยการรู้เวลากายเคลื่อนไหวอย่างนี้คะ่ะแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าจิตตั้งมั่นขึ้นนะคะแล้วก็อพอทุกขณะที่เวลาถ้าเกิดว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราใช่ค่ะก็ <ไป S 2> เริ่มจะรู้จิตตั้เนั่ยแหละที่มันเป็นผู้รู้ผู้ดูนะร่างกายเคลื่อนไหวมันจะเห็นปั๊บเลยไม่มีเราหรอกนะถ้า กิเลสเกิดกุศลเกิดก็เห็นอย่างไม่มีเราหรอกเห็นยังคะเริ่มเริ่มเห็นเริ่มจะเห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นนะคะเป็นสภาวะทางนมามธรรมนะคะ<ม>ก็เริ่มจะรู้สึกได้แต่ว่ายังยังไม่เป็นกลางนะคะจิตยังไม่ตั้งมั่นพอ<า>แต่ว่ า, สมามเสมอไหมปฏิบัติสม่ำเสมอหรือเปล่าค่ะปฏิบัติสม่ำเสมอมกออ็จะเดินจงกรมนะคะทุกวนันค่ะแล้วก็จะรู้สึกตัวโดยการใช้กายเป็นวิหารธรรมนะคะทุกวันเราไปเดินจงกรมนะ แล้วส่วนเวลาที่เหลือในชีวิตเนี่ยทุกก้าวที่ขยับตัวเนี่ยรู้สึกตัวที่เห็นในตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่หรอของคุณนี่ดีแล้วปล่อยใหม่แล้วดีแล้วค่ะขอบคุณค่ะหลวงพอ่อนมัส ก, การหลวงพ่อครับผมได้เดินตามทางที่หลวงพ่อได้ให้ไว้ในซีดีนะครับก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ตามพยายามตามรู้ากายรู้จิตของตัวเองครับหลวงพอ่อ มาวันนี้ก็มาอยากจะได้รับคําชี้แนะการบ้านจากของพ่ออีกครับใจต้องอยู่กับ น, นืึกตัวนะครับใจไหลไปรู้ไหมเวลาใจไหลทราบครับเออต้องรู้บ่อยๆนะไหลปุ๊บรู้ปุ๊บรู้นะเต็มจะตั้งขึ้นมาตั้งแล้วเห็นแล้วไมกายกับใจโค้ดล่านกันดูออกไหมทราบครับเความสุขความทุกข์กับจิตใจโคล้านกันดูออกไหมทราบครับกุศลกับกุศลกับใจโคล้านกันทราบครับเอน่าดูไปด้วย ครับแล้วเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาไหมหรือว่าจิตเกิดที่ตาแล้วดับเกิดที่หูระดับหรือว่าวิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้ววิ่งกลับมาเอเอตรงนี้นานๆจะทราบทีนะครับแต่ก็ทราบอยู่ว่าถ้าหากว่าเราเห็นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมารู้ที่ใจอีกครั้งนึ่งครับเวลาเวลาจิตมันไปดูนะครับอพอรู้ทันเลยไมันวิ่งคืนมาไหมครับเออต้องเข้าสังเกตนะจริงจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับนะ ถ้ามัเกิดจิตที่ใจแทนจิตตัวนี้เกิดแล้วก็ดับจะเกิดจิตที่หูแทนกวได้มันไม่ใช่จิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาหรอกแต่ว่าถ้าสติเรายังไม่เร็วเราจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาครับแต่ถ้าเราเห็นนะจิตเกิดดับเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกนะอย่างนี้เราตีได้ที่ว่าสันตติมันขาดเ น, นี่ยจะเดินปัญญาได้ดีช่ล ะ, ะให้ฝึกไปเดี๋ยววันหลังก็เห็นน ะ, ะ, นะดีครับขอบคุณครับ นักปัสการครับหลงพอครับผมกําหนดจิตตั้งอยู่แบบนี้ครับแล้วก็พิจารณาดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นภายในเช่นมีความชุ่มชื่นบ้างกวนกวายบ้างหรือเฉยๆบ้างสภาวะอย่างนี้เราเรียกว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ดูหรื อ, อยังครับเวลาเรารู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่กับลมไหมเคยมีไหม กเอเห็นไหมรู้สึกวิ่งไปอยู่ครับนะ เ, ออเราอย่าให้วิ่งไปเราเป็นคนดูอย่าให้จิตไหลไปอยู่กับลมนะเราดูห่างๆเวลาจิตไปคิดแล้วจิตมันไหลไปในความคิดเคยเห็นไหมเห็นครับเออถ้าเห็นตัวนี้ได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้ไปาทาบ่อยๆเราเราต้องกําหนดลงไปลักษณะนี้ไหมครับอย่าไปกําหนดนะลึกไปลึกไปใช่ไหมครับลึกไปทอยออกมา หลวงพ่อเคยเข้าไปนะหลวงปู่สินจวกใครรู้จักหลวงปู่สินมากโอ้ดีคนเชียงใหม่คนมีบุญนะ<อ>เรากว่าจะได้กราบหลวงปู่สินนะนั่งรถมาตั้งนานห<อ>ลวงพ่อไปเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยห<อ>ลวงปู่บอกว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆ น, กนี่ท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่ของคุณก็เหมือนกันนะ้า อ, ออกมาอยู่ข้างนอกนะอย่าเข้าข้างใน ถือว่าตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหรื อ, อยังครับผมไม่เป็นผู้เพ่งตาหากครับผมถ้าเป็นผู้เพ่งนะจิตมันจะไหลเข้าไป <c oughs> ถ้าเป็นผู้รู้นะจิตมันจะดูห่างๆเวลาเราเป็นผู้รู้นะเหมือนเราดูฟุตบอลเนี้ยเรานั่งอยู่บนอัศจรรย์นั่งดูห่างๆ ห, หรือยอย่างดูหลวงพ่อเทศเนี้ยไม่โดดขึ้นมาบนเวทีจิตเราต้องไม่ถลําเข้าไปดูดูห่างๆนะ อย่าให้มันเข้าไปข้างในเราเราดูตัวปิติความชุ่มชื่นที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ได้ไหมครับรู้ปิติได้แต่อย่าถลํา ล, ลงไปรู้รู้เหมือนเห็นคนอื่นปิติรู้ได้ใจที่ธรรมดาที่สุดเลยนะอย่าเอาจิตไหลเข้าไปเกาะอยู่ข้างในนะครผมผ ม, ผมควรจะพิจารณากายหรือดูตัวจิตดีครับผม <laughs> จริงๆนะภานาอะไรก็ได้นะแต่ต้องมีจิตตั้งมั่นสะก่อนนะ ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นพอนะไปพิจารณกายก็ทําไม่ได้ไปดูจิตมันก็ถลําไปดูไม่ดีนะอย่าให้ใจไหลเข้าไปต้องหายใจแรงๆเออเออเนี่ยเนี่ยแล้วอย่างนี้ค่อยดูเอานะเ อ, อ๋อถอยออกมาก่อนใช่ไหมโ อ, อ้ถอยออกมาก่อนดูแบบคนวงนอกอะ่ะอย่าเข้าไปดูแบบพลุวงในเหมือนเห็นคนเขาดูมวยเมืองเชียงใหม่มีเวทีมวยไหมใครเคยดูเขาชกมวยไหมดูในโทรทัศน์ก็ได้ถ้าเรา ชกเองนะเข้าครูวงในเราดูอะไรไม่ออกนะแต่เราเป็นคนเชียร์สังเกตไหมคนเชียร์มวยเก่งทุกคนเลยนักมวยไม่ค่อยเก่งอะ่ะเพราะอะไรเพราะมันดูห่างๆดูห่างๆเห็นหมดเลยนะมันขยับอีท่าไหนรู้ทันมันหมดเลยนะโอ้ต้องจิตอย่างนี้นะนี่ครับผมครับผมขอบพระคุณครับวนนี้หลับไปแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อ หนูรู้จักการปฏิบัติธรรมครั้งแรกตอนสมัยมัธยมอะค่ ะ, ะคุณครูรนะสมัยมัธยมศึกษาค่ะคุณครูพาไปปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นก็รู้สึกสนใจทันทีแล้วก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านแต่ตอนนั้นเป็นเด็กๆคือเราไม่ได้ทำงานไม่ได้รับผิดชอบไม่มีครอบครัวจิตใจเราไม่ไม่ได้คิดอะไรมากมายค่ะเราเรียนหนังสือแล้วเราเราสามารถปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพระทุกวัน หนูหนูไม่ทราบว่าหนูปฏิบัติได้ถึงระดับไหนแต่หนูรู้สึกว่าตอนนั้นเราเราไม่เห็นกายของเราเลยแม้แต่ลมหายใจเราก็สัมผัสไม่ได้เราเหมือนเหมือนไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งตอนนั้นตกใจเอ้ยอะไรยังไงแต่เราก็เหมือนกับว่าพยายามมีสติตอนนั้นยังเด็กอยู่อะคา่ะยังไม่ได้ รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์อะไรมากนักเพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณครูของเราที่โรงเรียนพาไปปฏิบัติธรรมแต่หนูก็พยายามเริ่มเริ่มต้นศึกษาธรรมะเข้าหาครูบาอาจารย์ตามสมควรที่หนูหนูมีบา ร, รมีนะคะแล้วก็พอมีครอบครัวแล้วก็มีลูกหนูเริ่มห่างไปหนูไม่ค่อยได้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่ตอนนี้ลูกลูกโตขึ้น้างแล้วแล้วก็เราพอจะมีเวลา เราเริ่มเหมือนกับว่าจะเ พ, พิ่งเริ่มแต่ว่าการอ่านหนังสือธรรมะการฟังซีดีนี่ก็ก็ทํามาตลอดค่ะแต่เหมือนตอนนี้เราจะเริ่มสวดมนต์ไหว้พระอย่างอย่างเป็นประจําเหมือนทุกวันแล้วแล้วก็จะนั่งสมาธิเป็นประจําทุกวันแล้วแต่ตอนนั้นหนูหนูจําได้ว่าหนูใช้อานาปานาสติก็คือตามลมหายใจเข้า พแต่บริกรรมด้วยนะคะแล้วก็หายใจออกโทรแต่ตอนนี้หนูหนูทำแล้วหนูไม่ได้เลยอะค่ะใจหนูไม่นิ่งเลยเพหนูไปดูดูจิตที่หงุดหงิดน่ะนะนะดูบ่อยๆจริงๆการทำกรรมฐานเนะียไม่ต้องอยู่วัดก็ได้เราทำกรรมฐานที่ใจของเราที่กายที่ใจนีนะ้อยู่ไหนเราก็มีกายมีใจค่อยดูกายค่อยดูใจทางานเลี้ยงลูกห่วงลูกไหมห่วงมากค่ะออห่วงรู้ว่าห่วง อย่าห่วงมากอย่างเดียวแล้วไม่รู้นะถ้าเกิดเป็นอะไรตายเป็นเปรดเลยนะเพราะั oh. ้นมีห่วงขึ้นมารู้ว่าห่วงนะรักขึ้นมารู้ว่ารักโมโหลูกบ้างไหมมีค mm ่ะกเยอะเลยนะเนี่ยโมโหขึ้นมารู้ว่าโมโหนะการที่เราคอยมีสติรู้ทันจิตใจของเราเนะเลี้ยงลูกอยู่ทํทำกรรมฐานอยู่นั่นแหละนะ mm hmm. นั้นการทำกรรมฐานจริงๆไม่ได้เบียดบังเวลาทำมาหากินของเราหรอก เราทํากิจกรรมอะไรก็คอยรู้คอยดูดูกายดูใจของมันไปเรื่อยหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยมนะเพราั้นถ้าโยมคนไหนบอกว่าเป็นคารวะภาวนาไม่ได้เราเถียงเลยนะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่ตอนเป็นโยมรู้สึกตัวนะดูกายทํางานดูใจทํางานตามมองเห็นรูปความรู้สึกเป็นอย่างนี้มองเห็นแฟนเราความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะมองเห็นแฟนเราคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะ ไปคุยกับคนที่สองที่สความรู้สึกเป็นอย่างนี้มาถึงคูยกับคน20่สิเฉยเฉยเลยเนี่ยดูใจนะใจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดูไปเรื่อยๆค่ะก็พอได้ฟังซีดีดลวงพ่อหนูหนูได้ได้ฟังประมาณปีที่แล้วค่ะรู้จักพระอาจารย์ประโมทประโมทโชว์เมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะก็ได้รับคําแนะนําจากกัลยาณมิตรก็ ใช้วิธีตามดูใจตัวเองนะคะก็พยายามว่าตอนนี้ตัวเองจิตตัวเองเป็นยังไงใจตัวเองเป็นยังไงก็พยายามรู้ทันค่ะแต่บางทีก็ตอนเช้าก็รู้อยู่ดีว่าใจคิดไปตรงนั้นตรงนี้แต่มารู้ตัวอีกทีบางทีก็ตอนเลิกงานค่ะบางทีโ อ, โอ้ใจฉันเผลอไปนานขนาดนี้เลยนั่นแหละต้องซ้อมนะ้ะองแบ่งเวลาทุกวันไม่พระสวนมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไป ถ้าไม่ซ้อมเลยเนี่ยอยู่ในชิตประจำวันแปบ๊บเดียวมันหนีไปนานนะไม่ดีต้องทำในรูปแบบก็ได้ธรรมะจากหลวงพ่อเนี่ยค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายค่ะอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อว่าหนูควรจะดูหนูควรจะใช้วิธีอนาปาณสติเหมือนเดิมหรือว่าจะหลุดหนูหน่าจะตรงกับอะไรดูอะไรก็ได้นะแล้วก็รู้ทันจิตที่มีโทสะไปนะดูตัวนี้ให้เยอะๆด้วย เราเพราะว่าคุณเป็นอย่างสูงค่ะหลวงพ่อปฏิบัติธรรมมาพอสมควรค่ะปฏิบัติธรรมมาพอสมควรเมื่อก่อนอฝึกสติมีโอกาสได้ได้ยินธรรมะจากท่านก็รู้สึกว่าเออเราก็มาในทิศทางที่ถูกพอสมควรปัจจุบันนี้ก็จะตามดูจิตในกิจวัตรตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ให้รู้สึกตัวบางทีก็รู้ว่า รู้สึกนะคะแต่เราก็มีสิ่งที่จะต้องทำบ้างที่ผ่านมานี่ mm hmm. ส่วนมากจะรู้สึกตัวคือตามทั น, ทนเห็นไวๆกับกิเลสความคิดความรู้สึกสัญญาต่างๆแล้วก็มันก็ยังมีความรู้สึกว่าขี้เกียจเยอะมากนี่นี่ตัวเนี้ยตัวแสลงของหลวข้อเลย <laughs> <laughs> แล้วก็ เมื่อก่อนนี่รู้สึกไหว้ง่ายต่อการสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าทําไมมีความรู้สึกว่าเฉยๆกับมันแต่รู้ว่าจะต้องทําเพื่ อ, อเป็นพ <ทำ S 1> ุทธ บ, บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาใช้หลัก<ม>ของหลวงพ่อชานะ <c oughs> ขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัตินะได <c oughs> ้ยิน <c oughs> ค่ะ <c oughs> ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่แต่จะตามดูจิตและ จะมีจิตฝอกไฟในการอ่านในศงสธรรมะของท่านพระอาจารย์หลายๆท่านโดยเฉพาะท่านพุทธทาสแล้วก็ฟังการบรรยายของท่านหลวงพ่อชาอะไรต่างๆเพลงนี้ค่ะนู๋อย่าทิ้งสมาธินะค่ะ<า>อย่าทิ้งสมาธิถ้าทิ้งสมาธิแล้วมันจเจริญปัญญาไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกมันจะกลายเป็นคิดเอาตอนนี้รู้สึกเวลาถูกกระทบแล้วมันมีความรู้สึกเมื่อก่อนนี้เห็นจิตไหวแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะ เออมันเป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละอะไรเงี้ยค่ะในกรณีน่าปัญญามันล้ำไปนะเออมันมันสรุปเร็วไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวกูของกูอะไรเงี้ยใจเลยเฉยๆอยู่ไม่ล้างกิเลสหรอกตอนค่ะแล้วหนูทนเอานะทนทำในรูปแบบหน่อยทำความสงบเข้ามาให้จิตอยู่กันเนื้อกับตัวทุกวันต้องซ้อมในรูปแบบนะแล้วมันจะดูได้คมกว่านี้ตอนนี้จิตเราเหมือนมีดทื่อ มีทื้อแล้วเราไปฝันต้นไม้เราฝันไม่ค่อยขาดหรอกนะนี่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้นะตอนมาทุกรุ่นท่านก็สอนกันต่ อ, ต อ, ตอมาอย่างนี้แหละมีความรู้สึกตัวเองเยียบอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมไงเลยฝันต้นไม้ไม่ขาดหรอกจิตต้องมีพลังจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมามีพลังนะไปฝึกสมาธิเพิ่มหน่อยเพ่อนค่ะกรนะาบน้ำ ก, การหลวงพ่อค่ะ เอออยากจะกราบเรียนถามว่าเวลาจิตดูมุมของไตรลักษณ์ที่ที่เป็นอนัตตาเนี่ยรู้สึกว่าจิตมันมันทุกน้อยกว่ามุมที่เป็นทุกขังนี่แสดงว่าดูผิดหรือเปล่าคะไม่แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่จริตนิสัยนะคื อ, ค, อคือเวลาเห็นเห็นความเป็นทุกขังเนี่ยมารู้สึกทุกข์และบีบคั้นมากค่ะหลวงพ่อแต่พอเห็นเป็นอนัตต า, ร, ารู้สึกมันมวนาเ น, นี่ยนะพอเราสติมันอัตโนมัติขึ้นมา<ฆ>จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ย มันเลือกไม่ได้หรอกว่ามันจะดูมุมไหนนะมันดูของมันเองแหละแต่ทีนี้พอพอเห็นว่าเวลาเห็นในมุมของอนัตตานี่รู้สึกว่ามันมันทุกน้อยมันมันสบายมัสบายสบายมุมทุกมันทุกจริงนะฮ่าก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราเราปรุงเราเราแทรกแซงหรือเปล่าเออคืออยากจะเรียนถามพ่อจิตเราพอใจไหมเวลามันโล่งแล้วสบายแล้วพอใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ยเราเราจะจะสร้าง ให้มันในมุมนี้เองอีกหรือเปล่าก็ก็เกิดสงสัยขึ้นมาคือถ้ายินดีพอใจนะแล้วก็ภาวนาเนี่ยมุ่งมาตรงนี้นะฮะฮะตรนี้ใช้ไม่ได้แล้วไม่ดีถือว่าผิดแล้วผิดแล้วล่ะมันภาวนาเอาสุกแล้วมันได้ภาวนาให้เห็นความจริงฮะแต่ว่าพอไปมองอนัตตานะบางทีคิดคิดเ อ, าอ่านหนังสือครูบาอจารย์อนะไรเงี้ยอ่านแล้วท่านพูดเรื่องไม่มีตัวกูของกูนะใจเราน้อมไปใจมันสรุปเร็วไป แล้วมันใจมันโล่งมันสบายมีความสุขแต่ไม่ร้างกิเลสโอ้ค่ะนะต้องมาดูของจริงนะแล้วให้เขาสรุปของเขาเองแล้วแล้วเราเห็นเป็นอะไรนี่เราก็ปล่อยใช่ไหมคะว่าเออเขาเห็นของเขาเองเออหลวงพ่อคะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งแบบจิตมันก็เบิกบานดีค่ะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันเห็นความขัดเคืองใจมันลอยผ่านหน้ามาเลยทั้งทั้งที่เราเราไม่ได้โมโหใครเลยค่ะเออได้ อันนี้ถือว่าเป็นอนุสัย ท, ที่มันซ่อนอยู่ใช่ไหมคะมตรงนี้มันจะหายไปเมื่อเกิดอริยมรรคใช่ไมคะคืออย่างนี้เวลาเราจเจริญสติไปเรื่อยๆนะมันจะล้างอนุสัยไปเรื่อยอ๋อค่ะทุกคราวที่มีสติเนี่ยอนุสัยก็อ่อนกำลังลงเรามีสติเนี่ยไม่ได้ล้างกิเลส น, น ะ, ะแต่ล้างอนุสัยค่อยๆลดลงลดลงทำไมสติไม่ไปล้างตัวกิเลสเพราะเมื่อไรมีสติมื่ น, นั้นไม่มีกิเลสจะให้ล้าง อ๋อค่ะทีนี้ก็สงสัยไว้ขนาดนั้นจิตแล้วก็เบิกบานแต่ทำไมเราเห็นความขัดเคืองใจมันไหลมาเออดีมันได้เห็นแล้วล่ะมันปรุงขึ้นมาได้เองอ๋อค่ะโอเคให้มองในมุมนั้นเลยว่ามันมันเป็นของมันเองอย่าไปคิดเอาค่ะก็แค่เห็นมันมาแล้วมันไปแค่นี้พอนะไม่ต้องไปคิดนํำถ้าไปคิดนําว่าเอ้ไม่ใช่ตัวตนนะสบายใจเห็นอะไรมาไม่ใช่ตัวตนสบายใจไปติดเลยค่ะอันนี้ไปด้วยการคิดเอาละค่ะไม่ไม่ใช่ปัญญาแท้ ก็พยายามให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวบ่อยๆอย่างที่หลวงพ่อบอกบางทีมันจิตไม่ยอมอ่ะมันพยายามจะไปดูอยู่เรื่อยก็ต้องพยายามฝืนเออฝืนแม่สมาธิอย่าทิ้งก็ไม่ไม่ทราบว่าดีขึ้นไหมฮะจิตตั้งมั่นมากขึ้นก็ดีขึ้นแหละดีขึ้นแต่ยังไม่พออย่าสรุปเร็วค่ะโอเคนั้นก็รู้ลงปัจจุบันอย่างเดียวดีที่สุด รู้ลงปัจจุบันแล้วก็เผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างนะมันเป็นไม่ได้หรอกรู้ตลอดนะเนาะมันเนปะ็ธรรมชาติค่ะกลับขอบพระคุณค่ะกาปัตระการหลวงปอเจ้าเจ้าเกาะคนเสวกว่าธรรมะของหลวงปอเนี่ยสามารถแต่จูคนเดียวได้เจ้าบ่เหงาเจ้าละขอหลวงปอจอยแนะนําฮว่าเป็นใครดีแตกหลวงพ่อฟังหน่อย ตอนนี้ก็จะหันกิเลสนักขึ้นนะเจ้าแล้วก็รู้จิตของโยมได้ก็บอกคอยได้แต่งโดยไปสักเท่าใดจะเจ้าอหาคนแปลหน่อยใครใครจะแปลให้หลวงพ่อฟังนะฮะอ๋อเจ้าเจ้าว่า หลวงอันธรรมมากของหลวงปูอเนี่ยเจ้าสามารถว่าอยู่คนเดียวนี่มีความสุขเจ้าแล้วก็วงเงาแล้วก็จะดูกิเลสในหันบอยเจ้าอดีเจ้า <laughs> <laughs> ต้องดูบ่อยๆนะยิ่งบ่อยยิ่งดีเจ้า ก, ก็เห็นบ่อยๆดีถ้าเรารู้ทันกิเลสนะที่หลวงพ่อเทศเมื่อกี้นี้ถ้าเราเห็นกิเลสนะเรารักษาสีง่ายรักษาง่ายขึ้นไหมหมีสีง่ายขึ้นไหม หือยังผิดศีลบ่อยต้องแปลเป<ด>็นค<ด>ํามเมืองโดนแล้วนี้ก็หันกเล็ดแล้วก็คิดว่าจิตเนี่ยบอกคอยแ ต, งต่งไปโจยหนักเจ้าจะหูซื้อเร็วเจ้าหูซื้อตันเร็วแล้วแต่งไปได้ไก่เจ้ า, าไเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าเขารู้ทันตัวเองได้เร็วขึ้นค<อ>่ะหลวงพ่ อ, อ<ะ>ดีส่อย่างนี้แหละดี มีคนแปลเงี้ยถึงไหนถึงกันอ๋อกาบสุมาเจ้าของโยมก็ดูไปนะใจเรามีความสุขเราก็รู้นะเ้ามีความสุขแล้วเรายินดีพอใจเราก็รู้นะใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาเราไม่ชอบเราก็รู้รู้ทันใจรู้บ่อยๆจ้าขอบคุเจ้าคือผมไปสวนสันนิษฐาครั้งสุดท้ายเมื่อ มีใหม่นะครับหลวงพ่อครับคือผมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าคือผมจะมีความรู้สึกคือมันจะมีความรู้สึกปร ะ, ประมาณนี้นะฮะมันจะมีความสุขแล้วก็ลมจะละเอียดอยู่เกิดขึ้นเป็นประจำในเวลาทำงานที่ละงานเราไม่เครียดซึ่งเราก็ไม่ตั้งใจเขาจะเกิดขึ้นเขาเองตรงนั้นนะครับไม่ทราบว่ามันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่า ไม่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นไม่เป็นไรนะอะไรเกิดแล้วเรารู้อย่างที่เขาเป็นนั่นแหละถูกต้องแล้วครับแล้วอารมณ์ท<ม>ี่เกิดขึ้นมันก็จะมีความรู้สึกประมาณนี้ใช่แล้วไม่ทราบว่าผมคิดว่าผมเหมือนตอนนี้ไหมเหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้จะกดไปนิดนึงเพราะมัน ม, มีการประหมาดอยู่ับนิดเดียวไม่มากนะครับดีแล้วละแล้วก็ผมรู้สึกเหมือนคิดว่าตัวเองคิดว่าเห็นขันแยกออกแล้ว ไม่ทราบว่าเราปรุงแต่งไปเองหรือว่าเห็นเห็นอะไรนะขันนะครับขันคืออย่างเวทนากายนี่เห็นมันจะมีตัวเห็นกายอยู่นี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เวทนาที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา<ด>ตรงนั้นไม่ทราบว่ามันเห็นได้จริงหรือว่าได้ปรุงแต่งขึ้นเห็นอย่างนั้นแหละดีแลกดีแล้วนะครับแล้วจิตผมระดับจิตอ่าสมมติว่าจะทสมาธิระดับจิตขนาดนี้ต้องวางขนาดนี้ใช่ไหมครับหรือว่าผมเขาคิดว่าตอนนี้ มันตั้งมั่นแล้วนะนะครับตอนนี้มันเออเร่ ม, มันตั้งแรงไปตั้งแรงไปครับผมคงจะเพราะว่ากลัวหลวงพ่อใครเจอหลวงพ่อก็แข็งหมดอะครับงั้นผมก็สรุปว่าการที่มีจิตตั้งมั่นคือการเห็นอย่างผมมองเห็นหลวงพ่อแต่ผมเจอมีส่วนหนึ่งที่รู้ในกายเราอยู่ตลอดเวลาตรงที่ไอตัวข้างในเนี่ยนะครับอย่าไปประคองไว้นะครับประคองแค่มีอยู่แต่อย่าจงใจดูอย่าจงใจรักษา ครับหลวพ่อก็เคยภอนาผิดนะไปจับตัวนี้ไว้จับแรงไปอ๋อขนาดนี้ผมจับแรงไปใช่ไหมครับขนาดนี้ผมจับแรงไปใช่ไหมครับแต่ก็คงแก้ไม่ได้นอกจากเขาจะดูเครื่ร ข, ขึ้นมาเอ ง, ร ง, รงครับก็กล่าวขอบพระคุณั น, นี่ครับคุณครับค่ะหนูก็ฟังสตีหลวงพ่อมาเกือบหนึ่งปีแล้วค่ะแล้วลองปฏิบัติ ด, ดูค่ะหนูอยากรู้ว่าตอนนี้สติหนูเกิดบ้างหรือยังคะ โอ้หนูต้องบอกหลวงพ่อว่าสติเกิดไหมเวลาโมโหรู้ไหมรู้ไวไใว่ไหมค่ะเออเวลาโลภขึ้นมารู้ไหมรู้ค่ะเวลาสุขเวลาทุกรู้ไหมรู้ค่ะเวลาหันซ้ายหันขวารู้สึกไหมรู้ค่ะเวลานอนหลับอยู่แล้วพลิกตัวรู้สึกไหมรู้ค่ะเออรู้อย่างนี้ใช้ได้สิแล้วจิตขนาดนี้ล่ะตั้งมั่นไหมดูไม่ออกค่ะ จิตขนาดนี้เหมือนปกติไหมไม่ใครรู้สึกแน่นๆนะคะเอนั่นแหละผิดธรรมชาตินะหนูขอวิหารธรรมที่เหมากับตัวเองนะคะเราช่างคิดไหมค่ะเออช่างคิดนะก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปได้นะค่ะแล้วถ้าใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยจะพุทธโทรหาราันไรปให้ใจได้มีเครื่องอยู่มีบ้านอยู่นะค่ะแล้วต่อไปจะได้ดูได้ชัดขึ้นชัดขึ้นดูได้เร็วขึ้นไว ถ้าเราไม่มีบ้านให้จิตอยู่เวลาหลงหลงยาวขอบพระคุณค่ะนมรมสการค่ะขอชมบารมีหลวงพ่อแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โห oh, ช่วยชมบารมีแทนที่จะชมหลวงพ่อแล้วไปชมบารมีใครชื่อบารมีบ้างสาธุค่ะคื อ, อ, อหนูปฏิบัติธรรมมาแล้วก็จิตวิปลาดเลยนะคะ เดี๋ยวหนูขอหนูขอเริ่มต้นก่อนนะคะหนูขอใช้เวลาแป๊บนึงเป็นจิตวิปลาสคือหนูไม่รู้จักธรรมะเลยหนูได้แต่ทำบุญแล้วพอหนูไปปฏิบัติเข้าห้อง30บวันแล้ว ออห้องกรรมาฐานมาแล้วก็พอดีเขาลือป่าช้า<ๆ>ก็ไปนั่งสมาธิที่ป่าช้าแล้วทีนี้ส่งจิตออกข้างนอกหมดเลย<ๆ>ก็จะเห็นผี<ๆ>เห็นอะไรหมดเสร็จแล้วก็เริ่มมาปฏิบัติที่บ้านก็เห็นเทพ<ๆ>เห็นพรม<ๆ>แล้วก็ทรงเทพทรงพรมมาสามปีนะคะ<ๆ>แล้วก็เพลิดเพลิน<ๆ>เวลาเวลาเราทรงเขาเนี่ยเราอธิษฐานจิตเราก็จะได้ลาบหมายถึงว่าค้าขายดีบอกเลขหวยก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็ไปรับขันมาแล้วแล้วทีนี้ก็ถูกสังคมตําหนิ รอบข้างตำหนิคูบาจารย์ตำหนิก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เริ่มคิด ท, ที่จะแก้ไข แล้วก็ไม่มีใครไม่สามารถแก้ได้ก็พอดีฟังหลวงตามหาบัวนะคะแล้วก็ฟังหลวงพ่อพุธหลวงปู่สังวาลแล้วท่านบอกให้พิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภะก็ไปฟังวิทยุสังฆทานธรรมนะคะแล้วเสร็จแล้วทีนี้หนูพิจารณาร่างกายแล้วอารมณ์เรื่องเทพเรื่องที่ส่งจิตออกข้างนอกความเข้าใจในธรรมะเริ่มมีมากขึ้นแล้วทีนี้พอเราพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอสุภะจิตเราจะดีดตัวออกจากร่างกายทันทีแยกเป็นจิตจิตผู้รู้อ แล้วก็มันจะจิตเราจะแยกเป็นสามอย่างคือจิตผู้รู้แล้วก็จิตคิดแล้วก็จิตว่างนะคะ ม, มันจะอยู่ที่สามอย่างตรงนี้แล้วก็เราอย่าให้จิตไปติดตัวอย่าให้จิตมันหลงคิดนะเราไม่ประคองไว้กับตัวรู้เราไม่น้อมเข้าไปจับความว่างมันเป็นตัวรู้ขึ้นมาก็รู้มันไหลไปคิดก็รู้มันไปติดว่างก็รู้อย่าให้ไปติดอยู่ในว่างค่ะแล้วทีนี้ ฟังครูบาอาจารย์สายพระป่าท่านก็ให้พิจารณาร่างกายอย่างเดียวแล้วพอหนูพิจารณ์ร่างกายแล้วจิตหนูก็ก็ติดสุกอะค่ะแล้วก็มันก็จะไปนอนหลับทั้งวันนะคะพ อ, พอนอนหลับทั้งวันก็จิตมันไม่ค่อยจะคิดงานแล้วมันหลีกห น, นีผู้คนอยู่แต่ในห้องแล้วทีนี้ก็ก็เลยเออก็เลยคิดว่ามันคงไม่ใช่แล้ว ล, ล่วละอะไรอนยะ่างเงี้ย แล้วพอดีอาสายพระพระป่าท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมไม่เครียดหนูว่าเอ๊ะทำไมหนูเครียดจังเลยก็เลยหันมาฟังหลวงพ่อคือปีแรกๆที่หนูฟุ้งหนูฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วทีนี้พอหนูพระอาจารย์กฤตนิมมโลท่านเอาซีดีวิธีการรู้แจ้งกับปฏิบัติสองถามให้ฟังหนูก็เริ่มเข้าใจถูกต้องมากขึ้นแล้วหนูอบรมจิตของหนูแล้วหนูเริ่มรู้สึกว่า จิตที่หนูไปติดเทพหรือว่าติดความนิ่งติดอะไรนะมันเป็นโมหะมันเป็นกิเลสมันไม่ใช่หนทางแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอบรมจิตเรื่อยๆแล้วประกอบกับพระอาจารย์กิตท่านก็ให้ดูจิตจิตมันเริ่มฉลาดขึ้นแล้วมันเหมือนอย่างกับว่าจิต ท, ที่มันตกอยู่ในเหวเนี่ยมันเริ่มเริ่มกระโดดกระโดดออกมาสู่ความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็ออกสู่สังคมแล้วไม่ติดเทพหรือพรมได้เริ่มรู้สึกว่าการติดเทพหรือพมหมมันเป็นกิเลชนิดหนึ่ง มันเป็นโลภะมันเป็นโมหะอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วแต่นี้ก็การเห็นเทพเห็นปรอมนะก็แค่เห็นเหมือนตาเราเห็นนะแต่ถ้าอยากเห็นนะ่ะถึงจะโลภแต่ไม่เห็นนะ <c oughs> เห็นกิเลสของเราดีที่สุดแหละค่ะแล้วตอนี้เริ่มรู้สึกว่ากายก็ไม่ใช่กายของเราเวลาเราเดินไปเดินมามันก็แค่คือก้อนเนื้อที่เดินไปเดินมา เสร็จแล้วจิตมันก็ไม่ใช่จิตเราคือเราไปบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ได้จะไปบังคับมันให้มาพิจารณาร่างกายก็ไม่ได้พอเรานั่งสมาธิแล้วก็จะเห็นมันคิดๆมันเป็นใครไม่รู้ที่คิดคิดไปคิดมาเสร็จแล้วทีนี้มันเหมือนอย่างกับว่ามันยิงปืนยิงลูกน่ะหลงละคาะหลงละค่ะพอแล้วเนาะค่ะคุยยาวเดี๋ยวหลงนานค่ะแล้วแล้วต้องทํำยังไงต่อไปค่ะรู้สึกตัวให้มากเลยนะค่ะอย่าทิ้งความรู้สึกตัว ให้ยฝึกไปอย่างนี้แหละดีแล้วค่ะแล้วหลวงพ่อจิตที่มันดีดออกปุ๊บปเหมือนยิงลูกปืนนั่นแหละค่ะดูมันแค่นั้นอะแค่รู้แค่ดูสภาวะไปไอ้ที่ดีดปุ๊บปุ๊บบอกไปไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคเป็นความปรุงของจิตหรอกไม่ใช่ตัวจิตค่ะค่ากล่าวนะพิจารจิตมันเป็นคนดูค่ะนี่คนสุดท้ายแล้วนะค่ะหลวงพ่อคะมีคําถามค่ะ ตอนนี้มันมีสภาวะธรรมแบบประมาณว่าอยู่เฉยๆเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเหมือนเราขึ้นเครื่องเล่นนะคะที่มันแบบมันจะบีบบีบใจอะค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะมันจะหายเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะทั้งวันสลับสลับกันไปอย่างนี้มันจะเป็นอะไรไหมคะมันก็ไม่เที่ยงเลยสิก็ดูไปนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ ไมเขาจะเป็นยังไงเขาจะเป็นยังไงบังคับเขาไม่ได้ดูออกไหมล่ะค่ะนะดูบ่อยๆใจหนีไปคิดเวลาใจหนีไปคิดได้รู้ไวๆค่ะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยจะคิดนะคะหลวงพ่อคือแบบมันมันรู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงอะไรงนี้ค่ะแล้วเวลาทำงานเวลาอยู่กับคนอื่นมันก็ไม่คิดเหรอ ปกติไม่ค่อยทำงานกับประชาชนเท่าไหร่นะคะก็จะส่วนใหญ่จะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะถ้าปกติจิตมันก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเราก็แค่ดูมันทำงานไปอย่าไปห้ามมันแม้คิดนะแต่บางทีมันไม่แปลค่ะไหมมันมีสภาวะขึ้นมาผุดผุดขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องแปลก็ได้ค่ะแค่นี้ค่ะ ขออนาครับเมื่อกี้ผมลืมข อ, อกัรบ้านหลวงพ่อว่าควรจะทําอะไรต่อครับก็ <c oughs> มีสติรู้กายรู้ใจไปนะขแต่รู้ได้จิตตั้งมั่นนะจิตต้องถึงฐานจริงๆครับผมขณะนี้ถึงหรือยังตอนนี้ออกมาแล้วครับก็เลิเผลอแล้วครับถูกต้องมั่นถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ<ห>ถูกต้องใช่ไหมครับเมื่อกี้เผลอไผมเผลอเมื่อกี้หลวงพ่อถามหลวงพ่อลองเดาดูเพ่งเพ่งไว้ก็ผิดนะ ผเผลอก็ผิดนะครับผมออ ข, ขอบคุณครับต้องเผลอไปแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะมันจะพอดีค่ะครบทั้ง12ท่านแล้วนะคะโอกาสที่พวกเราชาวเชียงใหม่จะได้พบหลวงพ่อนั้นมีน้อยนะักเจ้าค่ะในวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ขอน้อมกราบหลวงพ่อได้เมตานำพวกเราที่อยู่หน้าที่นี้เจริญสติภาวนาเป็นเวลาห -10 ถนาทีเจ้าค่ะ ให้ใหภาวนากันเองใช่ไหมหรือทำอะไรจะนั่งภาวนาค่ะ ข, ขอความเมตตาจากหลวงพ่ออ๋อให้หลวงพ่อนําเหรอเราคิดว่านำภาวนาแต่ค น, น<ำ>ต่างนั่ง <c oughs> อย่าให้ขาดสตินะนั่งไปใครเคยพุโทโธก็พุพโทโธไปใครเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครถนัดดูท้องพองยุบดูท้องพองยุบไป รู้ด้วยใจที่สบายไม่ไปบีบไปเค้นมันรู้สบายๆรู้แบบผ่อนคลายนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูค่อยฝึกไปแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันดูออกไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดจิตกนีไปคิดให้รู้เฉยๆนะไม่ห้ามอย่าไปห้ามมันสิ่งที่ผิดในการปฏิบัติมีสองอย่างคือความสุดตรงสองด้าน ด้านหนึ่งขาดสติจิตหลงไปไหลไปไม่รู้ทันอีกด้านหนึ่งบังคับกายบังคับใจสุดโต่มาข้างบังคับรู้สึกเอาสบา ย, บายนั่งดูไปเห็นเหมือนคนอื่นมันนั่งอยู่เห็นหมันคนอื่นหายใจอยู่ดูมอนดูคนอื่นไปเรื่อยพอเรารู้ไปพักหนึ่งแล้วบางทีจิตมันไหลไปจิตมันถลํานะ ถ้ะจิตมันถลำเช่นไปรู้ลมแล้วจิตมันไหลเข้าไปเกาะลมไปเกาะท้องอะไรเนี่ยให้รู้ทันจิตที่ไหลไปสติอ่อนเกินไปถ้าสติอ่อนแล้วมันจะมืดๆไปจิตหนีไปคิดนะจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราอย่าให้จิตมันสุดโต่งไปสองข้างนะ ข้างหนึ่งเผลอไปลืมตัวเองสติอ่อนไปอีกข้างหนึ่งอยากให้สงบอยากรู้ให้ชัดเพ่งเอาไว้จิตจะแข็งกระด้างไปตึงเกินไปรู้สึกตัวให้สบายพอรู้สึกตัวสบายๆแล้วค่อยๆสังเกตลงไปร่างกายที่นั่งอยู่นี้ร่างกายที่หายใจอยู่เนี้ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยดูลงไปนะเห็นร่างกายเนี้ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ถ้าหนีไปคิดเรื่องอื่นแลให้รู้ทั น, นดูสบายๆเห็นร่างกายเหมือนเราดูคนอื่นใจเป็นคนดูเวลารู้อย่าให้ถล่าลงไปรู้นะดูห่างๆอย่าให้ใจมันไหลเข้าไปคลุกอยู่ข้างในรู้สึกตัวถอยขึ้นมาเรารู้สึกตัวดูสบายๆ ส, ส, สังเกตใจของเราตอนนี้ไว้นะ แล้วพอหลวงพ่อบอกว่าเลิกปฏิบัตินะคอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจ อ, ออกจากสมาธิได้ดูซื้อใจจะเปลี่ยนไหมลืมตาขึ้นนะค่อยๆลืมตาขึ้นหายใจแรงๆหายใจให้แรงขึ้นนะแล้วลืมตาขึ้นมากลับบ้านไปฝึกเอานะวันหนึ่งห้านาทีสิบนาทีเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆก่อน ฝึกทุกวันนะเชกรทั่งใจของเรามีพลังขึ้นมาใจไม่หลงไปเวลานั่งสมาธิต้องระวังที่หลวงพ่อเห็นคนส่วนใหญ่นั่งสมาธินั่งแล้วเคลิ้มโมหะแทรกมืดไปไม่ดีอีกพวกหนึ่งนั่งแล้วก็บังคับตัวเองนะเกรงไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่ดีเป็นความสุดต่งสองด้านเราแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกตัวรู้สึกสบายๆเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจ ค่อยๆฝึกจนใจมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาต่อไปไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนเราจะทําอะไรทั้งวันทั้งคืนเราจะมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าฝึกอย่างนี้ได้เราก็จะภาวนาพัฒนาไปสู่การเจริญปัญญาได้ในทีหลังจะแยกธาตุแยกขันธ์เห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายความสุขทุกข์อยู่ส่วนความสุขทุกข์สังขารที่เป็นกุศลอกุศลอยู่ส่วนของสังขารจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็อยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูสบายๆ ไม่เผลอไปแล้วก็ไม่เพ่งไว้ฝึกอย่างนี้นะรับปัญญามันเกิดมันจะค่อยเห็นเป็นลําดับลําดับไปความทุกข์ก็จะตกหายไปความทุกข์มันจะตกหายไปเองนะใช้เวลาไม่นานหรอกแต่ถ้าไปติดนิ่งว่างๆอยู่มีความสุขเพลินๆอยู่ข้างในออกมาแล้วก็ติดว่างๆออกมาข้างนอกในนี้สุขแบบหลงโลกหลงไม่ดี พยายามมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้นะ เ, เท่านี้ก็ละสิบนาทีค่ะเพื่อเป็นการน้อมกราบบูชาพระธรรมน้อมบูชาความเมตตาของหลวงพ่อในวันนี้ขอเรียนเชิญตัวแทนของพวกเราจำนวนสีท่านเป็นผู้ถวายกับปิยพันธ์เรียนเชิญคุณเพชรรัตเชิดจารีวัฒนานันขอกราบเรียนเชิญคุณจันประภาฉิมคลายค่ะ คุณโชศิตาบำรุงพรไภาสารและคุณดวงเดือนสายหมอกค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือตั้งนโมพร้อมกันสามจบแล้วกล่าวคำถวายกับริยะพันธ์ค่ะ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 มามะยังพันเตกับปิยะพันธานีกับปิยะพันธานีสัปปริวารานีสัปปริวารานีภิกขุสังคัสสา พิก <S ank h asa> ุส no ังคัส no สังโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกุสังโคอิมานิอิมานิกับปิยพันธานิกับปิยพันธานิสปริวารานิสปริวารานิปติคันหาตุ ปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหากังทีคะรัตตังทีคะรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข่าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งกับปิยพันธ์ซึ่งกับปิยพันธ์ พร้อมทางของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทางของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งกับปิยพัน์จงรับซึ่งกับปิยพันธ์พร้อมทั้งของบริวารของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลา ย, าาลายตลอดการและนานเทินยะถาวาริวาฮาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังูปะกปฏิอิชิตังปะิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉุสัพเพปูเรนตูสังกปา จันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัตชันตูสภโรโควินาสตุมาเตภวัทวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอภิวัฒนาสีลิสนิตจังวุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ